แต่ดูผลดินะ ถ้าเป็นมหากุศลใช่ไหมทวิเหตุกาโอมกากะกุศลเจดนาสีเนี่ยมหากุศลยานเวทย์ปยุทน่ยถ้าอ่อนในประเภทนั้นเนี่ยอาจจะทําบุญแต่ละทีอ่อนใช่ไหมคือจิตที่น้อมก็หาทา น, นะนกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลมันมันอ่อนมากน้อมทําบุญแต่ในบุญนั้นจะต้องมีสาลบาปมากๆเลยคือจะต้องมีสาระบาปมากมอมเมมปนเนี่ยใช่ไหม ถ้าในกรณีอย่างเนี้ยแต่ถามว่ากรรมเหล่านั้นเป็นกรรมทุกขณะที่ทำนะแต่มันอ่อนเขาถามว่ามีพระไหมอ๋อนีมนฑ์พระไหมไม่ใช่หมนี่มน์ครบเก้าองค์เลยแล้วถวายเงินพระด้วยป้ะมปญ่ใหญ่หหมหวิธีคิดนะถวายด้วยมองเห็นอย่างนเดี๋ยวนี้แล้วก็ร่วมกันเาก็สนุกสนานหลังจากพระลงไปแล้วจิตเป็นบุญเหมือนกันนะ ตอนนั้นเน่ยนะทังพระทั้งโยมเนี่ยนก็นเป็นบุญเหมือนกัน น, นิดแต่ถามว่าท่านบุนนั้นคิดอะไรอยู่ทีนี้พอลงไปแล้วหลังจบรายการพระนิดหน่อยเนี่ยนี่ทั้งวันตามมาด้วย ม, มีชื่อว่าทาบุญฉลองหรือทาบุญอะไรแต่มตามมาด้วยอะไรแต่นี่ใช่ไมนี่มันเป็นอ ม, มกากเนี่ยมันอ่อนอ่อนอย่างนี้ทีระวันเคยทาไว้แบบเนี้ย เนอย่างเงี้ยมันมันอ่อนมันไม่มันไม่จะเป็นบุญจริงๆในในสูตรเนี่ยนะหลายหลายสูตรที่ท่านยกมาเกี่ยวในเรื่องของอุปมามเกี่ยวในเรื่องของปลาเนี่ยปลาในน้ำน้อยในบ่อน้ำน้อยหรือในหนองน้ำน้อยน้อยเนี่ยที่น้ำมันแห้งแล้วมันใกล้จะตายกันเห็นไะบอกชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็เป็นอย่างนั้นพระพุทธเจ้าต่อด้วยคำอะไรผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาเนี่ยจึงทาบุญ เห็นไหมจะตามมาได้จาการเจริญในบุญทั้งหลายบุญที่เป็นทา น, นากุศลบุญที่เป็นศีลกุศลภาวนากุศลเป็นต้นเนี่ยบุญต่างๆเหล่านี้ยบุญที่เป็นมรรคกุศลน่ะเกิดหรือยังเราจะได้ไม่ต้องไปดิ้นอีกต่อไปเพราะไปเราจะได้ไม่ต้องไปเป็นปลาแลวจะต้องไปดิ้นอีกต่อไปอ่ะไปทรมานอีกต่อไปอะแลวในปัจจุบันทพบเนี่ยทาให้เพียงพอให้เบื่อหน่ายให้คลายกาหนัดได้ไหม ถ้าไม่ได้ก็เป็นวาสนาสร้างบุญให้เป็นวาสนาภาเขียวสร้างอัธยาศัยน้อมที่จะออกจากบ่อน้ำให้ได้ทำยังไงให้มันพลนจากอาภรพาของความเป็นปลาใช่ไหยแล้วก็ไม่ต้องมาเกิดเป็นปลาอีกในทํานองอย่างนั้นก็คือไม่ต้องมาเวนว่ายได้เกิดอีกปัจจุบันเนี่ยมันน้อยอยู่แล้ว น้อยแ ล, แล้วจิตเป็นไปกับบุญไหมกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยเป็นไปกับบุญไหมหรือเป็นไปกับบาปอยู่ถ้าอย่างนั้ น, นแสดงว่ายุ่งแล้วเพราะมันไม่น้อมเป็นไปเพื่อเป็นไปเพื่อเบื่อหน่ายเพื่อคลายกำหนัดเพื่อจะรอบรู้ว่ามันเป็นทุกข์แม้แต่ในปัจจุบัน เ, นเอาว่าหนึ่งบางทีเราไม่รู้เลยว่าเราอยู่ในเราเป็นปลากําลังดิ้นอยู่เงี่ยใช่ไหมลําดับแรกเราก็หลงตนเองได้ถูกโมหะปิดกั้นอยู่แล้ว แล้วเราก็ทํากรรมผิดพลาดไอ้ตัวปฏิสนที่วิญญาณต่อไปประวัติวิญญาณต่อไปที่จะได้รับไม่ต้องพูดถึงผิดพลาดแน่นอนเพราะกรรมที่ทําในปัจจุบันก็ผิดพลาดเพราะเรายังไม่สําคัญตนว่าเป็นเหมือนปลาในน้ําที่น้อยแต่ถ้าเราสําคัญขึ้นมาปุ๊บเนี่ยมันก็จะเริ่มเข้าหาคําสอนนะนะพอเริ่มเข้าหาคําสอนแล้วก็จะรู้ว่าอะไรควรรอบรู้อะไรควรละอะไรควรทําให้แจ้งอะไรควรจเจริญ มันก็จะโลเลยแต่นี้ใช่ไหมอะไรควรรู้ยิ่งต่อไปเราบอกเอออันนั้นเราก็อยากรู้อันนี้ก็อยากรู้แล้วจริ ง, รงๆแล้วอะไรควรรู้ยิ่งแต่นี้มันจะเริ่มน้อมมาแล้วอะไรน้อควรรู้ยิ่งอริยสัจเนี่ยควรรู้ยิ่งขันห้าควรรู้ยิ่งเป็นต้ น, นเนี่ยเนียและในบรรดาสิ่งเหล่านั้นอะไรเราควรรอบรู้ควรกําหนดรู้และอะไรควรที่จะละออกละ และอะไรควรไปทําให้แจ้งอะไรควรจะเจริญนี้เนี่ยมันก็จะต้องมาจัดสรรข้อปฏิบัติในชีวิตจริงเป็นอย่างนี้ไ ม, ไม่ใช่การปฏิบัติก็คือว่าอย่างยกตัวอย่างในปัจจุบันปัญหาเป็นอยู่ถ้าปัจจุบันเนี่ยไหมถามว่าปัจจุบันแล้วถาม ก, ก็พิจารณาดูว่าปัจจุบันเนี่ยศีลมีไหมสมบูรณ์ไหมอ่ะถ้าไม่มี ถ้ากลุ่มที่จะสมาทานศีลก็สมาทานศีลกลุ่มที่จะอะไรต่างๆก็ต้องทำให้มีขึ้นถ้าปาติมโมกสังวรศีลมีแล้วก็ตรวจสอบอินทรีสังวรศีลเออมีไหมถ้ามีก็ตรวจสอบอาชีวปรทธิ์ที่ศีลเออเลี้ยงชีพถูกัหมแล้วก็ปัจจัยาสันนิสิตาศีนเออได้ปัจจเหกพิจารณาปัจจัยสีที่เกี่ยวข้องกับตัวเราไหมเนี่ย ถ้ากุศลรศีลเป็นไปอย่างดีแล้วเนี่ยก็จะเป็นปัจจัยเกิดปีติเกิดความสุขใช่ั้ยปีติความสุขเกิดขึ้นมาสมาธิก็เป็นไปและสมาธิที่อาศัยศีลที่ถูกต้องจึงเป็นสัมมาสมาธิสัมมาสมาธิเขาก็เป็นปัจจัยเกิดสัมมาทิฏฐิเป็นต้นเนี่ยนะถ้าเป็นไปอย่างนี้เขาก็เรียกว่าชีวิตนั้นเป็นไปกับศิกขาสาม เมื่อเป็นไปกับสิกขาสามก็พ่อพูนศึกขาสามนั้นให้บริบูรณ์ให้เจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปเมื่อศึกขาสามเข้าถึงความบริบูรณ์แล้วเนี่ยก็จะละฉันทราคะคือกิเลสทั้งหลายเมื่อละฉันทรลาคะคือกิเลสทั้งหลายได้แล้วน่ะท่านผู้นั้นก็เป็นผู้ที่ปลอดภัยแล้ว นั่นแหละกิจของพวกเราก็คือว่าทํำยังไงเนาะทุกๆุกอารมณ์นั้นให้เป็นที่ตั้งของศิกขาสามให้ได้ทําศิกขาสามให้เป็นไปในชีวิตจริงให้ได้อันนี้คือสำนวนคําพูดนะมันต้องออกมาในมุมนั้นจริงๆแต่ถามว่าถ้าไม่เป็นไปในลักษณะอย่างนี้ก็ไม่ใช่แนวทางที่พระพุทธเจ้าตรัสบอกไว้นี่มันเป็นอย่างนั้นปกติของศีลมันต้องเป็นกุศล ปนะกติของอกุศลศีลมันก็เป็นศีล น, นะแต่เป็นอกุศลศีลแต่เชื่อไหมอกุศลศีลเนนะี่ยที่บางคนไปเข้าใจว่าเป็นศีลเนี่ยแต่มันเป็นบาปเมื่ออกุศลศีลเกิดขึ้นมันจะตามด้วยมิจฉาสมาธิเมื่อมิจฉาสมาธิมามันจะตามมาด้วยมิจฉาทิฏฐิก็ไปเข้าใจว่าตนเองมีบรรัญญามันก็จะผิดไปอีกสายหนึง่งนั่นก็คนละทางกันใช่ไหมและที่สุดจริงๆก็เป็นกลุ่มมิจฉาวิมุตต์ปะ หลุดพ้นกันแบบผิดผิดกันไปอย่างนี้เป็นต้นเนี่ะคือจริงๆอ่ะบางคนเนี่ยก็ตั้งอยู่ในกุศลสีนั่นแหละแต่กุศลสีนั้นแต่ไปบิดตอนตายซะอีกด้วยด้วยตนเองที่ไม่ได้รอบรู้ประธรรมอย่างไม่ได้เดินตามพุทธเจ้าถูกต้องเนี่ยไปเดินผิดทางหลงทางก็ไปกันไปเห็นไหมว่าในกรณีของการถ้าเราดูอย่างนี้ถามว่านั่นแหละคือในชีวิตถามว่าเอ๊ะ เอาศึกษาตรงนี้แล้วเราบอกอุ้ยพอจะเบื่อหน่ายบ้างเลยั้ยก็คือว่าถ้าเบื่อหน่ายแล้วก็คือพยายามตั้งศึกษาสามในชีวิตจริงให้ได้ mm hmm. เขาเรียกว่าเป็นคนอะไรนะ mm hmm. ก็บอกว่าครองไตรศึกษาอันนี้พระนะถ้าพระก็บอกครองไตรศึกษาถ้ากลุ่มโยมก็บอกน้อมไปในทานศีลภาวนาวสรุปแล้วไปไปมาๆก็คือว่าอยู่ในกลุ่มของไตรศึกขาเนะี่ยเลย เป็นผู้คลองไตรสิกขาก็ว่างั้นจริงไหมเนี่ยเขาว่างนันคลองไตสิกขาก็แปลว่าจะเอาชีวิตจริงๆเนี่ยให้เป็นไปกับสิกขาสามอารมณ์กระทบทางตาเอ้ยศีล ส, สมาธิปัญญาก็เกิดถามมันเกิดยากไหมเวลาอารมณ์มาปรากฏทางตาศีลสมาธิปัญญาจะเกิดเหมือนก็ยากต้องตั้งอัตยาศัยใช่ไหมต้องมีวิธีคิดวิธีตึกที่ถูกถ้าไม่ตรึกไม่ไม่คิดให้ถูกมันไม่ไปแล้วมันจะไปอีกทาง เพราจิตเรามันเป็นไปกับบาปมากกว่าบุญนะอย่าลืม น, นั่นคือความจริงของชีวิตนในยุคปัจจุบันนี่นะมันมันอยู่ตรงที่ไหนถูกไหยบอกว่าเอ๊ะตอนนี้เราเราคิดกับเราเองอยังไงที่เราว่าเราเริ่มจากคําว่ารักตนรักตนเนี่ยนึกเราก็มาดูว่ามันรักยังไงหรือเราจะรักนะกลุ่มอเาบาียศาสตร์ก็รักมันก็รักตัวเองทั้งนั้นนะมดหนูยุงอะไรต่างๆเหล่ า, านี้ล้วนแต่เขารักตัวเองทั้งนั้นนะสังเกตไหม เขาก็กลัวภัยกลัวคนพิกลพิการต่างๆบ้าใบาบอดหนวกกลุ่มอเหตุกาปฏิสันที่เขาก็รักตัวเองนะใช่ไหมแต่การรักตัวเองของเขาเขาทํำอะไรรักตัวเองแล้วก็ว่าอุ้ยทําไมอย่างเหมือนคนเจ็บป่วยอะ่ะเขาก็รักตัวเองนะ่นน่ะแต่ทําไม ต, ตัวเองต้องเจ็บลรคก็พอรักตัวเองทีนี้มันผิดหรือเปล่าใช่ไหมถ้าผิดก็ต้องบอกว่านี่มันผิดนี่เป็นอย่างนี้ นี่คือกลุ่มของออมีมนุษย์และเทวดานะในกลุ่มเหล่านี้ก็คือว่าถ้าหากกุศลจะส่งผลเขาก็ได้รับเหมือนกันให้ท้าไ อ, อเกิดเป็นลูกคนรวยก็ได้ใช่ไม้มอยู่ในเครือหารราชวังก็ได้แต่ถามบอกว่าแล้วเขาได้ดีแค่ไห น, นก็ได้รับอย่างที่เขาได้ไม่เต็มที่ไอจะให้เป็นใหญ่เป็นโตก็ไม่ได้นะถ้าเป็นอาเหตุกาปฏิสนธิบุคคลเนี่ย มันปิดหมดแล้วอ่าจะให้เป็นพระราชามหากษัตริย์ให้เป็นผู้นําประเทศเขาไม่ได้ไม่ได้มันมีตัวนี้เป็นตัวกั้นเลยมวิบากเป็นเครื่องกัน้นนี่เขาเรียกวิบากเป็นเครื่องกัน้นนี่เป็นอย่างนี้อยู่ในกลุ่มอุปธิ <c oughs> วิบัติหน่อยก็เลยมีเป็นตัวกั้นเลยเอาอยากจะให้จบปริญญา จ, จบด็อกเตอร์เหมือนกันนะแต่มันถามมันจะจบยังไงใช่ไหมจะจบยังไง ร, รู้จักหมดเลยเ อ, อ้าวทุกคนเกรงใจหมดเลยเนี่ย จะปริญญามามอบให้มาอะไรก็ได้จะทำจะทํำยังไงมันไม่เหมาะทํำยังไงก็ไม่เหมาะมอออกใช่ไหมมันไม่สมควรกับเหตุนะว่างั้นเถอะเพราะเหตุที่มันผลที่ได้รับอยู่เนี่ยจะไปละเออมันจะไปได้รับผลยิ่งใหญ่ขนาดนั้นก็บอกว่าอา้าวเขาไม่ได้ทําบุญมาไม่ได้ทําบุญนี่เป็นอย่างไงถ้่คนขาขาดเนี่ยนะขาขาดสองข้าง มือก็ขาดด้วยแต่บอกจาจะให้เป็นนายร้อยเขางั้นโอ้โหหมดสิทธ์เลยเนจะเป็นไงอืมเป็นไม่ได้อันนี้เขาเรียกว่าดานอุปธิเสียหายอุปธิบางทีก็คติบ้างอะไรบ้างอ่ะต่อไปคือปุญญาพิสังขารปุญญาพิสังขารนะอุเบกย์ปุญญาพิสังขารนะทวีเหตุกาอุกตาก กุศลเจตนาสี่และติเหตุกกุกกะโอมากะกุศลเจตนาสี่เป็นเหตุโดยตรงนี้รวมกันเลยนะเป็นประเภทติเหตุกกาอุกทะแต่เป็นทวีนะเกิดด้วยเหตุสองคือคืออโลพาเหตุอโทสาเห ต, เหตุเวนอโมหิเหตุถ้ากลุ่มนี้คือกลุ่มความเพียรเคยเห็นคนคนทำคนประเภทที่ไม่มีปัญญาแต่เพียรสูง โอ้โหที่เขาได้อะไรมาเนี่ยเขาได้มาด้วยความเพียนเขาขยันเนี่ะเพียนน่ยเขาเพียนแล้วประการต่อมาก็าพอใจกขาปรารถนาที่จะทําและอย่างก็คือเขามีชันท่าอย่างแรงไอ้ตัวนี้แล้วก็มีมีตัวหนึ่งก็คือมีมีความมุ่งมั่นมีความมุ่งมั่นแรงแต่ปัญญาไม่ค่อยเกิดนะ ก, กลุ่มพวกนี้กรรมพวกเนี้ยนะกรรมที่ทํามาด้วยมหากุศลญาณวิปยุทธแต่เป็นประเภทอุกตะเจตนานั้นอย่างหนึ่ง ส่วนกรรมอีกอย่างหนึ่งประเภทติเหี้ทุกกาโอมากาธรรมนี่นะประเภทคนมีปัญญาธรรมแต่ไม่เคยเอาจริงเอาจังหรอกเนี่ยเคยเกิดกับตัวเองนะในการทําทํากรรมประเภทเนี้ยศึกษาเพื่อทำทั้งๆที่เข้าใจหรืออ่านหนังสือเรียนอะไรทั้งๆที่เข้าใจนี่ยอ่านนิดเดียวไม่อ่านทั้งหมดเลยนะเนี่ยนะอาศัยว่าตนเองเอไยมันง่ายๆใช่ไหมแล้วก็อ่านอ่าน่าแล้วพอแล้ว มีปัญหาอะไรแล้วเราือนั้นสรุปเลยแล้วเรียนทั้งโลกก็เหมือนกันเงี้ยจบกับเข้ามาเหมือนกันแต่อส่ดูนิดนนิดนิดแค่นั้นแหละแต่ไม่ได้สนใจอะไรเลยประเภทประเภทตีหัเหตุุก่าโอมก่าก็เจ้านหน้ามันอ่อนความเพียรก็อ่อนลักษณะอย่างเงี้ยกรรมประเภทนี้เคยมีใช่ไหมในชีวิตจริงๆที่เคยทำเนี่ยแบบไปงั้นเวลานั่งฟังทำก็นั่งนั่งไน เพ่นเพ่นงั้น various. ไม่ได้ใส่ใจอะไรจริงจงจังๆไม่ได้ตั้งใจอ่ะกุศลที่เกิดขึ้นจากไม่ได้ตั้งใจแต่เข้าใจนะฟังผู้ผเนี Cor ่เข้าใจอาศัยความเข้าใจง่ายๆหน่อยโอ้ยฟังไปหมดแล้วเล้วนั่งนั่นก็ไปกับอารมณ์อื่นไปกับอารมณ์อื่นถ้ากรณีแบบนี้เขาเรียกว่าติเหตุกะโอ ม, มกะโอ ม, มกะเบล อ, อ่อนเบลอ่ อ, อ, อนมีปัญญาด้วยมีความไม่โลภมีความไม่โกรธ ด, ด้วยนะแต่เป็นไปกับการที่ว่า มีฉันทะน้อยมีวิริยะก็น้อยมีความมุ่งมั่นก็น้อยแต่ปัญญาก็เลยเกิดขึ้นเป็นคือปัญญามาเกิดจริงแต่ปริมาณของปัญญานั้นอย่างยกตัวอย่างนะจะเข้าวิจัยเรื่องเนี้ยแทนที่จะต้องใช้ปัญญาให้ต่อเนื่องสืบเนื่องให้นานๆบ่อยๆแลวต่อเนื่องสืบเนื่องนานๆก็เกิดเพื่อพอแล้วเข้าใจแล้วว่างั้นลักษณะอย่างนี้เป็นตีตุกเามากะ กรรมประเภทนี้เนี่ยพอพอกัน ก, นกนติเอทวีเหตุกุกกอุกถาเหมือนกันเลยถ้าให้วิบากกรรมประเภทนี้จะให้วิบากแบบไหนจะให้มหายุบากญาณวิปยุตจิตสี่เป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นทวีเหตุุกบุคคลกรรมประเภทเนี้ยให้เป็นทวีเหตุกบุคคลคือบุคคลที่มีเหตุสองเว้นอมโมหะเหตุเว้นปัญญาปัญญาไม่นําเกิดในขณะปฏิสนธิกลุ่มพวกเนี้ย นี่เขาเรียกมีวิบากเป็นเครื่องกั้นเนี่ยบรรลุไม่ได้กลุ่มเนี้กลุ่มเนี้ยถ้าพูดกันในปัจจุบันนี้กลุ่มนี้คือกลุ่มปัทะประมะเลยนะถ้าเป็นมนุษย์เนี่ยปัทะประมาเลยถ้าเป็นมนุษย์ที่เกิดมาด้วยเหตุสองแบบนี้เป็นปัทะประมาบุคคลคือชาตินี้ไม่ได้บรรลุถ้าจะฟังธรรมก็ต้องฟังธรรมเป็นวาสนาภาคียะคือบุญที่จะเป็นอัธยาศัยไปว่าไง อยากกินลรท้อนะฟังไง <c oughs> คือคือถ้าไม่เรียบทำบุญให้เป็นวาสนาหรือเป็นอุปนิสัยจะยิ่งไปใหญ่ใช่ไหมกลุ่มเนี้ย <c oughs> มหาบากญาณนวิประยตจิตสี่เป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นทวิเหตุกาบุคคลเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลางในการมสุขติภูมิเจ็ดมนุษย์หนึ่งเทวภูมิหกอย่าแปลกใจนะเทวดาก็เยอะเทวดาที่เป็นทวิเหตุใช่ไม เทวดาที่เป็นทวิเหตุที่ปฏิสนธิโดยมหมายบาศี่ดวงใดดวงหนึ่งให้ให้สังเกตนะมหมายบากยาณวิปยศี่เนี่ยให้ปฏิสนธิให้สัตว์ได้ต้องกามาสุขติภูมิเจ็ดดุริไปมากสักฟันใดไม่ใช่นน้อยนะถ้าคิดเป็นประชากรออกมาเนี่ยโอ้โหคานวณไม่ได้เลยฉะนั้นคนกลุ่มนี้ไม่ใช่น้อยคนประเภทนี้ไม่ใช่น้อยยิ่งยุคหลังๆมา คนกลุ่มนี้ไม่ต้องพูดถึงเย็นยิ่งน้อยแต่ไม่ได้นะหัวคิดความคิดความอ่านเก่งยังนะแต่าทางไปในทางไม่ดีไม่ใช่ว่าเขาไม่เก่งนะพวกเนี้ยไม่ใช่ว่าเขาจะไม่มีปัญญาในเรื่องการที่ว่าศึกษาเล่าเรียนอะไรน้นก็ได้ปานกลางได้ระกลางมองเห็นอย่าเนี้ยทีนี้ในบรรดาอย่าง ย, งยกตัวอย่างเช่นมหาบากญานนวิประยุทธ์สมณัทอาสังขารีดวงที่สามนะ มหากุศลดวงที่สามเออมหาิบากดวงที่สามทำกิจปฏิสนธิใช่ไหมเอาถ้าได้ตอนนั้นปฏิถามว่าไอ้ดวงนั้นนมาจากกรรมอะไรมาจากเจตนากรรมอะไรมาจากมหากุศลญาณวิปยุทธที่เป็นอุกต่เจตนามาจากดวงที่หนึ่งสองสามสี่ก็ได้เออขออภยัยมาจากมหากุศลยานะวิปยุทธเนะี่ย ทีนี้มหากุศล ญ, ญาณวิประยุทธ์เนี่ยที่เป็นปัจจัยให้ได้ได้วิบากที่เป็นสมนั้นนั่นนะถามว่ามาจากอารมณ์อะไรต่างกันอีกแล้วแต่นี้ต่างกันโดยรูปบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างตามอัธยาศัยของท่านผู้นั้นไปใช่ไหมเนี่ยลักษณะกรรมที่เขาทามันวิจิตอย่างเงี้ยกายกรรมบังวิีกรรมมโนกรรมอันนั้นกลุ่มหนึ่งส่วนอีกกลุ่มหนึ่งมาจากมหากุศล ญ, ญาณสัมบยุทธ์ที่เป็น ตีเหตุกะโอ ม, มากะกุศลเจตานาสี่เป็นมหากุศลญาณสัศน์ยุทธ์นั่นแหละเป็นสมณตด้วยเป็นอสังกาิกด้วยแต่มันอ่อนเงเป็นต้นนึ้เนมันอ่อนเป็นเป็นเป็นวิปยุทธ์เหมือนกันฉะนั้นในเรื่องการที่บอกว่าอะไรที่ว่ายอมมูถามเนี่ยต้องรู้ซะ ก, ก่อนว่าอะไรควรรู้ยิ่งเดี๋ยวํากันต้องรู้ ถ้าอย่างนั้นเนี่ยจะยุ่งเลยถ้าเราไม่รู้ว่าอะไรควรรู้ยิ่งเนี่ยถ้าหากตามภาษาพระพิธรรมบอกโลกีจิต 81, แปดสิบเอ็ดเจตสิกห้าสิบเอดเว้นโลภารูปยี่สิบแปดเนี่ยควรรู้ยิ่งแต่ควรรู้ยิ่งโดยฐานะว่าต้องไปกําหนดรู้ต้องไปรอบรู้และกําหนดรู้รอบรู้ยังไงต้องไปกําหนดรู้โดยยาตาปริญญาตีรณปริญญาต้องไปกําหนดรู้อย่างนั้นต้องไปรู้ตัวเขาจริงๆว่ามันเป็น เป็นอะไรเอินเป็นอะไรตัวเขาเคืออะไรอย่างเช่นถ้าเขาเป็นรูปก็ให้รู้ว่า น, นี่เป็นส่วนของรูปนะนี่ส่วนของเวทนาสัญญาสังขารและวิญญาณต้องไปรู้อย่างนี้หรือไปรู้ว่าตัวนี้เป็นจักรุ ป, ปราสาทธเนะตัวตานะหนึ่งต้องไปรู้ว่านี้คือสีคือรูปารมณ์ต้องไปรู้ว่าโสตประสาทนี่คือสััทธารมณ์อันนี้คือคานาประสาสนี่คือคันธาารมณ์อันนี้คือ ชิวหาประสาทนิลสาลมนี่กายาประสาทนิโพธพารมนี้มัณนายตนะนี้ธรรมมาลมเนื้อธรรมายะตนะเนี่ยก็ต้องรู้จักตรงนี้นี่คือรู้อายะตนะใช่ไหมแล้วก็ต้องไปรู้ธาตุอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยการรู้ในลักษณะนี้คือรู้ยาตาปริญญาและทีนี้ถ้าหนักไปกว่า น, นั้นก็คือต้องไปรู้อะไรรู้เหตุเกิด รู้ความดับเป็นต้นเนี่แล้วก็ไปถามว่าปีรณปริญญาก็ต้องรู้ว่าไอ้วัตถุหรือสิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยไอ้ทุกข์เหล่าเนี้ยมันไม่เที่ยงเนะี่ยเป็นทุกขเนะี่แล้วก็เป็นอนัตตาเนะี่ยถ้ารู้ในลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่าใช่แล้วเรารู้ยิ่งถูกต้องแล้วในในทุกข์และสมุทัยะหรือในกลุ่มของสมุทยัยทั้งหลายควรรู้ยิ่งไหมควรรู้ยิ่งแต่ควรรู้ยิ่งแบบต้องเข้าไปละเนะียต้องละใช่ไหม ทำละแบบนั้นละด้วยอริยมรรคละด้วยอริยมรรคนั่นแหละต้องควรรู้ยิ่งก็คือจะต้องทำอริยมรรคให้เกิดขึ้นในขันธสันดานแล้วก็ทำจะได้ไปประหารรู้ยิ่งนะรอบรู้ทุกขละสมูทัยได้แล้วก็ทำนิโรธให้แจ้งนิพพานเป็นต้นน่ควรควรรู้ยิ่งโดยฐานะเข้าไปไปไปรู้โดยฐานะเอาเปนา็นอารมณ์ แล้ว ก, ก็การเข้าถึงส่วนมรคนั้นนะ่ะควรรู้ยิ่งเหมือนกันแต่รู้ยิ่งแบบควรเจริญควรบ่มควรทําให้มีให้เกิดขึ้นนะืทีนี้ว่าถ้าเรากําหนดสัจญาถูกเขาเรียกว่าคนเริ่มไม่ลงทิศทางตัวเองแล้วไม่ลงทิศแล้วแต่เนี้ยเออ้วอะไรควรรู้เลยนี่เราก็มาแยกแยะในชีวิตจริงใช่ไหมว่าแล้วในชีวิตจริงอันไหนเป็นทุกเนี่ยอันไหนเป็นสมุทยัยอันไหนเป็น ทมที่ควรละเพื่อจะเป็นปัจจัยให้ได้นิโรธอันไหนเป็นอริยมรรค ก, ก็ก็พยายามจะบ่มหรือว่าตั้งอริยาศัยที่จะน้อมก็าหาความรู้อริยสัจอย่างนั้นมองเห็นอย่าแต่เนี้ยคือคือตอนนี้มันจะเริ่มแยกแยะออกว่าชีวิตจริงๆจะเป็นอย่างไงและเราก็จะไม่มัวหลงทิศหลงทางกันถ้างั้นมัวหลงทิดกันอยู่นี่ บางทีว่าเสียงชมบุ้มเนี่ยแล้วก็ไม่รู้ว่าอันนั้นเป็นสัจจะอะไรก็ยังแยกไม่ออกก็กําหนดไม่ถูกแล้วเสียงด่าก็ยังกําหนดไม่ออกอยู่ว่าเป็นสัจจะอะไรใช่ไหมแล้วก็เจ็บปวดกับเสียงด่าและเสียงชมอีกอย่างหนึ่งเจ็บปวดเพราะโทสะอีกอันหนึ่งก็เจ็บปวดเพราะโลภะใช่ไหมมีโมหะเข้าเกิดกลัวอยู่อย่างงี้นะชีวิตมันเป็นไปกันบทกระ บ, บาบเนี่ยถ้าอย่างนี้มันไม่ใช่พวกกลุ่มรู้ยิ่ง ไม่ใช่กาหนดรู้ทุกอะไรเราในชีวิตจริงนะเขาเรียกเพลินไปกับทุกมัวเมาไปกับทุกเคริบเครื่อไปกับทุกยินดีในทุกขหลงไหลในทุกขถามว่ากลุ่มเหล่านี้จะพ้นทุก์ไม่ใช่ฐานนะไม่ใช่ฐานนะมองออกใช่ไหมถ้าอย่างนี้อันนี้ไม่ใช่ฐานะนะะเวลาคนชมเนนะี่ยคนชมโอ้โหไม่ได้เจอนานดูสวยขึ้นดีขึ้นแล้วก็โอ้โหเนี่ยเห็นไหมแล้วก็หวั่นไหวอีกแล้ว เจ็บปวดเนะี่ยไอความหวั่นไหวเนะี่ยเจ็บปวดมีความทุกข์เป็นผลเนีมีความทุกข์นะกเป็นวิบากมีความทุกข์เป็นผลกามนี้มีทุกข์มากมีความคับแคนมากโทษของการ ม, มีทุกอย่างยิ่งแล้สอบถามว่าใครบ้างเลยที่จะไปกระลุอย่างนี้ใช่ไหมนอกจากพระอริยะทั้งหลายมีพระพุทธเจ้าเป็นต้ น, นที่ท่านรอบรู้อย่างนี้อาพวกเราตั้งปฏิบัทาที่จะเดินตามพระพุทธเจ้าใช่ไหมพระอริยสง์ แล้วก็ต้องปฏิบัติไปในลักษณะอย่างนี้ต้องคิดต้องกระทำให้สอดคล้องกับท่านเหล่านั้นถ้าอย่างนั้นมันก็ไม่ใช่เลยมันก็ไม่ใช่เลย ก, ก็ต้องดูเนี่ยว่าจริงอยู่ถ้าโลภะเกิดขึ้นเนะี่ยโลภะเป็นบาปหรือเป็นบุญวงถามเป็นบาปใช่ไหมเมื่อเป็นบาปให้ผลเป็นสุขหรือเป็นทุกข์ให้ผลเป็นทุกข์มันก็ตามมาลักษณะแบบนี้ แต่จริงๆถ้าฟังแล้วถ้ามันยังไม่เข้าใจแบบนี้แล้วถามว่าจะไปกำหนดถูกไหมในชีวิตจริง <S <S ถ้าไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่ตรึกอย่างนี้มันจะไปกำหนดถูกไหมว่าอะไรควรรู้ ย, ยิ่งก็ยังไม่รู้เลยเงี้ยถ้านั้นก็เสียหายในชีวิตจริงเนี่ยเราชีวิตจริงๆเนี่ยถามว่าถ้าเรารู้ว่าอะไรเป็นอะไรบ้างแล้วเนี่ยมันจะเริ่มจับทิศทางตัวเองถูกว่าควรจะเดินยังไงถ้าอย่างนั้นก็สเปสะสปะกันไปใช่ชีวิต นั่นมันต้องรู้จริงๆนะว่าเราเราควรจะอะไรควรรู้ยิ่งจริง ๆ, ๆแล้วมันจะได้มาเดินกาหนดเป้าหมายของตนเองได้ว่าเราเดินตามใครที่เราพุทธทางสระนังก็ฉามี้เนี่ยจริงไหมแต่ น, นี้มันจะเริ่มรู้แล้วว่าจริงไหมนะเนี่ยออว่ามันจริงหรือไม่จริงใช่ไหมขอถึงพระพุทธเจ้าขอถึงพระธรรมขอถึงพระสงฆ์เนี่ต่อไปมันจะเริ่มชัดแล้วสรณคมมันจะเริ่มอยู่ในกระแสจิตได้จริง ๆ, ๆมันเป็น มันไม่ใช่ง่ายๆใช่ไหมการที่จะตรึกให้ให้ให้ถูกแต่ถามว่ามันก็ไม่ถามว่าทำไมถ้าบอกมันยากเกินไปท่านเหล่านั้นก็มรรล้กันเยอะแยะหมดทีนี้ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่าเราเดี๋ยวต่อเกี่ยวกันในเรื่องของคำด้วยความหมายเนี่กลับมาเข้าในเรื่องของสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญ ญ, ญาณเนี่ยเกี่ยวกันในเรื่องของสังขารเป็นปัจจัยให้เกิดวิญ ญ, ญาณ พูดถึงในเรื่องของวิญญาณปฏิสนธิวิญญาณ19แล้วก็ประวัติวิญญาณ32ในปฏิสนธิวิญญาณ19นะั้นะนะนะมีสังขารเป็นเหตุถ้าหากว่าจำแนกที่เกี่ยวกันในเรื่องของปฏิสนธิวิญญาณเนี่ยไ ด, ได้ได้กล่าวมาพอสมควรนะที่บอกว่าตัวอุเบขาสันตีรณะนะอากุศลวิบากหนึ่งมีเป็นผลนะ เป็นผลของอากุศลเจตนาสิเอเว้นอุทจักเจตนามหาวิบากญานนะเวปยุทธเดี๋ยขออภยัยอุเบคาสันตีและกุศลวิบากหนึ่งเป็นผลอันนี้เป็นผลของใครทวิเหตุกาโอมกาจเจตนาสอันนั้นเป็นเหตุใช่มอันนั้นเป็นปุญญาพิสังขาดส่วนมหาวิบาก ญาณวิปยุตจิตสีที่เป็นปฏิสนที่เป็นกลุ่มทวีเหตุกบุคคลนั้นนะน ะ, น ะ, น ะ, นะเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นกลางในการมสุกติภูมิเจ็ดมนุษย์หนึ่งสวรรค์หกอันนั้นเป็นผลของใครเป็นผลของมหากุศลญาณวิปยุทธ์ที่เป็นทวีเหตุกะอุกถาเจตนาสี่แล้วก็ตีเหตุกะโอมะกะกุศลเจตนาสี่อันนั้นเป็นเหตุทีนี้ ถ้าไปดูเกี่ยวกับในเรื่องของมหาวิบาทญาณสัมปยุตจิตสีเป็นผลปฏิสนธิเป็นติเหตุกบุคคลเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงเลยนะในกาลมาสุขติภูมิเกตินมาจากอะไรเนี่ยมาจากมหากุศลติเหตุกะอุกทะใช่ไหมติเหตุกะอุกทากุศลเจตนาศี เ, เป็นเหตุถ้ากลุ่มกุศลชนิดนี้เป็นกุศลชั้นเอกอุกอะไรงี้ย เป็นกุศลชนิดที่ไม่ธรรมดาแนละ้วลักษณะของกุศลประเภทนี้นะีซึ่งเป็นกุศลที่ถามว่าถ้าอย่างเราเราทั้งหลายเนี่ยถ้าจะทํากุศลประเภทเนี้คิดว่าในชีวิตจริงเนี่ยเคยเกิดกุศลประเภทตีเหตุกาอกาุกระถะถ้าเป็นสมนัต ด, ด้วยเป็นอาสังคาลิกด้วยเป็นตีเหตุกาอกาุกระถะเจตนาด้วยอย่างเนี้ยถามว่าเคยบ้มั้ย ถ้าหาว่าใครบอกว่าอุ้ยน่าจะใช่แล้วเราเนี่ยทกุศลเนี่ยยกตัวอย่างเช่นมหากุสลและจิตดวงแรกเลยนะไม่ใชเเ่เป็นติเหตุกาโอมกาแล้วเป็นติเหตุกาอุกฐะด้วยคือเป็นกุสลที่ชัดเจนจริงจังในการกระทามากแล้วก็มีความมุ่งมั่นก็สูงจิตก็เป็นสมนัตเกิดขึ้นในขนาดนั้นนะ ถามว่าแล้วในขณะนั้นที่บอกว่าเกิดดวงนั้นที่เกิดถามมหากุศลดวงนั้นมีอะไรเป็นอารมณ์มีรูปเป็นอารมณ์มีเสียงเป็นอารมณ์มีกลิ่นมีรสมีสัมผัสหรือมีธรรมะเป็นอารมณ์และเกี่ยวกับทานศีลภาวนาอะไรลองคิดๆ ด, ดูถ้ามันได้ใช่ไหมเริ่มเริ่มเริ่มบอกได้ถามว่าเคยเคย เคยฟังทำไหม ล, ล่ะแล้วเคยเกิดประเภทนี้บ้างไหมอะไเนี่ยลองลองคิดในลักษณะนี้ถามว่าบางทีแต่บอกว่าถ้าเกิดจริงๆเนี่ยถามว่าในขณะนั้นปัญญาต้องเกิดใช่ไหมไม้แต่การฟังระธรรมเนี่ยนะเข้าใจแจม่มแจ้งชัดเจนเหมือนขยายได้ย่อดได้ในขณะนั้นที่เกิดขึ้นเนะี่ยแล้วมาตรึกพิจารณาเห็นเป็นช่องเลยในลักษณะเย่างนี้ ถ้าถ้าในกรณีอย่างนั้นมันเริ่มชัดเหมือนกันนะัเองยกตัว อ, อย่างเช่นนะยกตัว อ, อย่างบางกลุ่มใช่ไหมอย่างพวกตรึกในสูตรต่างๆนย่างเงี้ยเออไปพิจารณาลงในสูตรในคําสอนต่างๆนะคือมันเห็นนะอย่างยกตัว อ, อย่างเช่นว่าพอไปกําหนดลงว่าตาสีจกักรครูินญาณประชุมกันเป็นผาษาเนียพอภาษาเป็นปัจจัยให้เกิดเวทนาเวทนาเป็นปใจใัจจัยเกิดปัญหา พอบอกผัสสะเนี่ยนะเราก็รู้จักผัสสะดีเลยจึงนี้ว่าเออจักขู่สัมผัสสะคือการประชุมธรรมะทางทวารตาโสตาสัมผัสสะนี่คือการประชุมธรรมะทางทวารหูคาณ ส, สัสมปัสะสัมปัสะคือว่าประชุมธรรมะในทวารทวารลิ้นในทวารจมูกชิวหาสัมผัสสะ ก, ก็คือการประชุมกันของธรรมะในทวารลิ้น กายแสบภาษาโนสัมปะสคือการประชุมของธรรมะต่างๆเหล่านี้ประชุมกันถามว่าเขาประชุมกันนะถ้าภาษามาประชุมถามว่าภาษาเป็นสัจจะอะไรเป็นทุกขสัจจะใช่ไหมเฮียที่ทำให้ภาษาเกิดขึ้นเป็นสมูทยัยความดับของสมูทยัยแล้วก็ตัวภาษาเป็นนิโรดนี่ปฏิปทาที่เข้าไปถึงการดับภาษานั้นเป็นมัก มันมันส่งข้อลงในคําสอนได้อย่างนี้แทบทุกบทไปหรือเปล่าถ้ามันได้ในลักษณะอย่างนั้นมันเอออย่างนี้มันก็เริ่มชัดนั้นนะแต่จริงๆมันอย่างนี้นะแต่ว่าบางครั้งเนยทั้งบอกว่าการฟังธรรมเนี่ยการฟังธรรมเนี่ยที่ท่านที่ได้บรรลุกันเนี่ยเพราะเขาส่งข้อลงอะไรส่งข้อลงอริยสัจถ้าไม่ไประชมลงอริยสัจเนี่ยก็ไม่ได้บรรลุใช่ไหมว่า คือจริงๆคาสอนทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยอย่างยกตัวอย่างพระพุทธเจ้าตรัสทำทั้งหลายไม่ทั้งพวงไม่ควรยึดมันหรือมันเนลวลาไปชมลง จ, งจริงๆมันจะลงอระยะสักระไม่จะแต่ว่าจะกล่าวอะไรจะกล่าวพันิพานจะกล่าวมรรคจะกล่าวสมุทัยหรือจะกล่าวทุกนึงก็ดูตรงนั้นเลยยมสุรีเคยเกิดอย่างนี้ไหมดีแล้วเนี่ยถ้าตรึกในลักษณะอย่างนั้นแล้วมันทไ ด, ได้ได้ความเข้าใจ ที่จริงการพิจารณาอะไหแล้วเข้าใจเนี่ยท่านบอกต้องพิจารณาแล้วแล้วเล่าเล่าเนอะอย่าไปปล่อยเพลินนะอย่าไปปล่อยเพลินลักษณะของมหากุศล ญ, ญาณสัมปยุทธที่จะเป็นปัจจัยให้กับมหาวิบากยานะสัมปยุทธนะนะมหาวิบากยานะสัมปยุทธจิตสี่นั้นเป็นผลให้ปฏิสันทิ เป็นตีเหตุุกาบุคคลเป็นมนุษย์หรือเทวดาชั้นสูงในการมสุขติภูมิเจ็ดนี่เป็นอย่างนี้ส่วนรูปกุศลเจตนาห้าเป็นเหตุนี่เป็นปุญญาพิสังขารเหมือนกันนะให้อะไรให้วิบากห้าสัญญาสัตตภูมิอันนี้ยังไม่ได้ไปดูเกี่ยนเรื่องของปัจจัยนะเดี๋ยวไปแยกแยะดูก่อนเดี๋ยวไปแยกแย่รายละเอียด ส่วนอาเนชาพิสังขารคื อ, อรูปกุศลเจตนาสี่เป็นเหตุแล้วก็อารปวิบากสี่เป็นผลให้ปฏิสนธิเป็นตีเหตุกาบุคคลคืออรูณประพรมในอรูณประพู ม, ปปะพมสีถ้าหากมาจําแนกในประวัติการอันนี้ในปฏิสนธิการนะแยกกันให้ออกนี่คือในปฏิสนธิการท่นนี้ถ้าไปแยกในประวัติการในประวัติการนี่เอาวิญญาณเท่าไหร่ โลกิยวิปากวิญญาณสามสิบสองเอาตัวสามสิบสองนี้เป็นตัวตั้งนะมีอะไรบ้างอะ่ะอเหตุตุกวิปากจิตสิบห้ามหาวิบากแปดโรควิบากห้าอารวิบากสี่นี่ก็เรียกว่าโลกิยาวิบากสามสิบสองเป็นมีสังขารสามเป็นเหตุนะเนี่ยผล ผ, ผลเหล่าเนี้ยผลเหล่านี้มีสังขารสามเป็นเหตุถามบอกว่า อย่างนี้เขาเรียกว่าจำแนกประวัติวิญญาณสาสบสองภาษาของการเรียนปฏิจานสมุบาทนี่ต้องใช้คำว่าประวัติวิญญาณสาบสองอกุ ศ, ก 7, กศลวิบากเจ็ดใช่ไหอกุศลวิบากเจ็เนี่ยนะได้แก่เห็นได้ยินได้กลิ่นรู้รส ร, รู้สัมผัสถูกต้องรับรู้อารมณ์ทางใจไตรสวนอารมณ์และก็หน่วงอารมณ์ต่อจากชาวนะที่ไม่ดีเป็นผลไหม เป็นผลในการปรภูมิสิบเอ็ดและในรูปประภูมิสิบห้าตามสมควรแก่อารมณ์และทวารใช่ไหมว่าเกิดในทวารไหนและก็รับอะไรเป็นอารมณ์และแต่รับรูปอารมณ์สัตวารมณ์กัรดำารมณ์ร่าสารลมโผล่สถาารมณ์ทวาตามภาษาของวิธีก็เรียกอะไรทัศนกิจสวรรกิจกายากิจชิวหายกิจเลยพุทธนาคิจเขียนมา เรียกอะไรทัศนากิจคือเห็นใช่ไหมสวรกิจคือได้ยินกายะนากิจคือได้กลิน่นสายนากิจรรู้รสภุสนากิจคือรู้ถูกต้องนะรู้สัมผัสเนี่ ย, ยอันนี้เขาเรียกว่าถ้าไม่ดีเนี่ยเขาเรียกว่าอกุศลนี้บากเกิดแล้วมีการรับอารมณ์ไหมสัมปติชนะมีมีสันติระนาห์ไหมสันติระนาหนี่ ลักษณะอย่างนี้เขาเรียกว่ารับอารมณ์ที่ไม่ดีไต่สวนอารมณ์ที่ไม่ดีเป็นต้นเนี่ยเนี่อันนั้นคือเป็นผลของอปุญญาพิสังขารสิบสองได้ทั้งสิบสองเลยไหมในประวัติการเนี่ยได้ทั้งสิบสองไหมได้ทั้งสิบสองนะเจตนาที่ในอกุศลจิตสิบสองเนี่ยนะเขาเรียกอกุศลเจตนาสิบสองให้ประวัติวิญญาณเท่าไหร่ ไม่ใช่ที่สิบสองไปให้สามสิบสองได้ไงเลยเ อ, อกุศลเจตนาสิบสองอกุศลเจตนาสิบสองให้อกุศลวิบากเท่าไหร่เจดเจ็ด <7 S 2> <7 S 1> แค่นั่นเองเอในประวัติการนนะทีนี้เขาส่งผลในภูมิไหนได้บ้างในกาลมาภูมิสิบเอ็ดในรูปภูมิสิบห้าตามสมควรแก่อารมณ์และแก่ทวาร น, นั้นทำไมถึงบอกใช้คำว่าตามสมควรแก่ทวารด้วย ถามว่าเขาจะไปส่งผลที่ไม่ดีทางทวารไหนจากขูทวารโสตตะทวารคานทวารชิวหาทวารกายะทวานใช่ไหมในกามภูมิสิบเอ็ดแต่ถ้าในรูปภูมิก็ส่งผลในทวารไหนจากขูทวารกับโสตตะทวารต้งนั้นในคานทวารชิวหาทวารกายะทวานนั้นในรูปภูมิเขาไม่ตามไปส่งผลแล้วทําไมจึงไม่ไปฮะเพราะอะไรเอถามงี้หน่อยว่า ในรูปโพมีเจ้กขุทวา a n ไหมโซตัทวานมีไหมคานาทวานมีไหมมีคานาทวานไห ม, ม, ม, ม, มไม่มีคานาทวานชิวหาทวานกายใช่ฉะนั้นช่องทางที่จะอกุศลเจตนาสนะิบสองน่ะอกุศลเจตนาสนะิบสองนื้รกำที่ในอกุศลสิบสองไม่ส่งผลในคานาทวานชิวหาทวานกายทวารใช่ไหม เพราะไม่มีทางผ่านดี่เขาจะต่อเชื่อมก็ไปผลิตวิบากเขาเลยเขาต่อท่อก็ไปไม่ถึงแต่รูปภมไม่ยอมทําลายทวารตาและทวารหูใช่ไหมเขาก็ยังตามไปผลิตวิบากให้จนได้เนะดูสิเนะี่ยนี่เป็นอย่างงี้จริงๆต้องทําลายทุกๆทวารจริงๆนะนะไม้แต่มโนทวาร น, นะนะต้องทําลายทั้งหมดเลยนะต้องละเนะี่ยนี่เป็นอย่างงี้ ส่วนในปุญญาพิสังขารคือมหากุศลเจตนาแปดนะเป็นเหตุอาเหตุทุกกุศลนิบากแปดอันนี้ก็คือทัศนากิจเหมือนกันนะเห็นได้ยินได้กลิน่นรู้รสรู้สัมผัส ถ, ถูกต้องรับอารมณ์ไต่สวนอารมณ์แล้วก็น่วงเหนียวอารมณ์ต่อจากโชณะที่ดีอันนี้เกี่ยวกับอารมณ์ที่ดีนะเป็นผลในเป็นผลเกิดขึ้นในการปภูมสิบเ็รูปภูมสิบห้าตามสมควรเหมือนกัน แล้วก็ให้อะไรปุญญาภิสังขารเนี่ยนะมหากุศลเจตนาแปดเป็นเหตุด้วยนะเป็นเหตุมหมายบากแปดทำการรักษาภพของเทวดาแล้วก็ของมนุษย์เทวดาแล้วก็รับรมณ์ต่อจากชาวนาะเป็นผลในการมาสุขติภูมิภูมิเจ็ดเออถ้าเราดูอย่างบอกว่าพระวังพระวังที่เป็นองค์ของภพรักษาภพเทวดาแล้วก็ ของมนุษย์เทวดาเนี่ยนะสองกรมเนี่ยมาจากมหากุศลเจดนาแปดไอมหากุศลเจดนาแปดแต่ให้วิบากให้วิบากกล่าวคือให้ระวังนะเให้การรักษาภพตั้งแต่ละบุคคลว่าเออใครไอสัตว์ทั้งหลายตั้งอยู่ในโลกอยู่ในภูมิทั้งสามเนี่ยนะเนเ่ยว่าชีวิตไออุน่นแล้วก็วิญญาณไอวิญญาณตัว น, นี้หมายถึงระวังกัจิต จะน่าไตัวผวังกับจิตที่เกิดดับสืบต่อกันในภพหนึ่งภพหนึ่งเนี่ยกระแสผวังกับวังเนี่ยกระแสะของผวังที่มันไหลอ ย, อยู่ภพหนึ่งแต่ละภพแต่ละภพเนี่ยเนยของแต่ละบุคคลเนี่ยถ้าหากมนุษย์และเทวดานี่ก็เออท่ามนุษย์นี่ยก็ค่อนข้างน้อยหน่อยแต่ถ้าเทวดานี่ก็มากหน่อยเนี่ถ้าใครมีผวังไปไหลอ ย, อยู่ในอเวจีเราก็ยุ่งตายเลยอายุมันยาวอายุยาวนานจริงจริงยังไ ในเวจ์เจนี่ยยาวนานมากใครเรียนมัชฌิมตรีมาแล้วเนี่ยเทียบอายุของของของนรกให้ดูหน่อยเนี่ยเทียบยังไงอายุของนรกเนี่ยอายุอายุอายุของสัตว์นรกน ย, ยอมสุรีเทียบไงฮะเทีบยบเท่ากันนั้นเนี่ยที่จริงเกี่ยวกับในเรื่องของถ้าเบอกว่าวันก่อนที่ได้พูดถึงในเรื่องของเทวดาชั่นยาตุลไปจำมั เทวดาชั้นจ่าตุ้มถ้าหากในกลุ่มของพวกเทวดาเนี่ยก็มีอายุค่อนข้างที่จะค่อนข้างที่จะมากเขาบอกว่าสัตว์ที่เกิดในไบรรยภูมิและมนุษยภูมินี่มีอายุกำหนดไม่แน่นอนนะมีอายุกำหนดไม่แน่นอนหรอกกำหนดไม่ได้แล้วแต่กรรมเป็นตัวกำหนดแล้วแต่กรรมเป็นตัวกำหนดถ้าหากว่าเทียบกันเนะ่ยเขาเทียบอย่างนี้ เก้าล้านปีในมนุษย์เนี่ยเท่ากับหนึ่งวันในสัญชีวะนระกคถ้าเทียบอย่างงี้นะเก้าล้านปีวันหนึ่งในสัญชีวะนระกถ้าถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้เขาข า, ขายาวนาะนถ้าสามโกดหกล้านปีในมนุษย์ก็นหนึ่งวันในกาลสุตตะถ้าอย่างนี้วันหนึ่งของสัตว์นรกนี่เป็นโกดโกดเก้าโกดถ้าอย่างนี้เกิดนับไม่ได้ ถ้าคำนวณอย่างนี้แลนับไหมเนะี่ถ้าในในโอเวจีด้วยแล้วก็หนึ่งหมืนสี่พันเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าโกดหกล้านปีในมนุษย์เท่ากับวันหนึ่งในโอเวจีถ้าถ้ายอมหมูพลาดจะอยู่ในอเวจีอย่างเดียวย่งเงนะินเนีกลืมพวกลืมกันนะถ้าพูดถ้าพูดอย่างนี้แล้วมันไม่น่าไปไงในลกนะ่ยวันหนึ่งยังไม่อยากไปเลยนะ วันหนึ่งของเขาอ่ะวันหนึ่งของเขาแปลว่าโลกหลานนี่แทบออกมานีนจำกันไม่ได้เลยมันจะไปกลับมาได้ไงดูที่ล น, น, นลืมหลังแ ล, แล้วมันตายแล้วก็นึกถึงใครไม่ได้แล้วนึกไม่ออกหมดเลยไม่ไม่นึกแล้วไม่นึกตั้งแต่ไปครั้งแรกแค่ว่า ห้านาทีแรกนี่แปลว่าไม่รู้เรื่องแล้วไปรู้ตอนนั้นน่ะแล้วก็รู้ว่าตนเองเจ็บปวดอยู่เท่านั้นเองนี่เกี่ยวกันในเรื่องของปุญญาพิสังขาร น, นั่นเองปุญญาพิสังขารถ้าหากมหาวิบากแปดทำการรักษาภพของมนุษย์ฉะนั้นแค่มหาวิบากแปดถ้ารักษาภพของเทวดานีเดยว โอ้เทวดานี่ไม่ธรรมดาเนี่ยกตัวอย่างเช่นว่าห้าสิบปีในมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันในเทพชั้นจาตุ ม, มหาลาชิกาอย่างเงี้ยเออถ้าหากว่าในเทวดาชั้นจ่าตุ้ม เ, เออถ้าถ้าอย่างนี้ก็ดูว่าของเราห้าสิบปีของเขาวันหนึ่งอันนี้คือพบติดกับเราเนี่ยของเขาเนี่ยพวกจาตุมมหาลาชิกาเนี่ยเออถ้าอย่างนี้เขาเ้าต่างจากเราไม่ค่อยมาก อย่งนี้เขาก็ว่าเสียวนะเทวดากลุ่มเนี่ยว่าเสียวอายุตัวเองเขาก็ว่าเสียวอายุตนตัวเขาเองเขาว่าน้อยทายุคำนวณเบ็ดเสร็จก็น่าจะประมาณไม่กี่พันปีไม่กี่พันปีเขาว่าเสียวมากเขาก็จะตายแต่เขาบอกหูมนุษย์เนี่ยหายใจเข้าออกไม่กี่วันเนี่ยบางคนเขาหายใจแค่แค่ไม่กี่ครั้งมหมยก็ผ่านไปสองวันเนี่ยตายกันหมดแล้วสองวันของเทวดาเนี่ย แค่เขาจะไปธุระไหนสักสองวันเนี่ยวางนั้นเนี่เดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาไปบอกเนี่ยนะไปหมดแล้วแค่พรุ่งนี้จะไปบอกเนี่ยไปหมดแล้วชนี้ที่เดอะพอไปปุ๊บเนี่ยเขาไปทํากิจทําอะไรเพื่อเพื่อนว่าเขากลับมาที่เราผมขาวรูอยมโซรีนี่เปลี่ยนผมไปแล้วบอกใหาผมญาติเนี่ยสมมุติญาติเป็นเทวดาเทงเราพนากลับมาเขาผมเขาโอ้โหยี่ใช่หรือเปล่าเนี่ย ปัญญาพิสังขารคือรูปกุศลเจตนาห้าเป็นเหตุรูปวิบากห้ามีการรักษาพบไว้เป็นผลในรูปปภูมิสิบห้าอันนี้ก็รักษาพบในรูปภูมิแต่ละภูมิเขาเนี่ยก็ไปแยกย่อยเป็นปฐมฌานทุติยปฐมฌานภูมิสามเป็นต้นนะเนีก็ไปแยกเป็นรักษาพบเท่าไหร่เท่าไหร่ก็ว่ากันอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าพรหมมปริสัชชาเนี่ยอายุเท่าไหร่อายุหนึ่งในสามของอสงไข่กับก็ว่าไง นี่ก็รักษาภพไปสิตัวพระวังก็รักษาภพของเขาในขนาดนั้นพรมมะโรหิตาก็คืออายุครึ่งอสงไข่กับถ้าหากมหาพรมก็อายุหนึ่งอสงไข่กับเนี่ยนั่นนะ่ะคือพระวังเาก็ต้องไปเกิดดับสืบต่อรักษาภพไปหนึ่งอสงไข่กับ พ, พรมมะปริตาพาก็สองกับอย่างเงี้ยเนี่ยเขาก็จะมีอายุของเขาเปลี่ยนไปในลักษณะอย่างนี้ บุญญาพิสังขารเออปุญญาพิุออญญาพิสังขารที่เป็นรูปกุศลเจตนาห้าเนี่ยให้วิบากให้ผลนั่นที่เกี่ยวกับในเรื่องในประวัติการเนี่ยให้ภวังเนี่ยถ้าหากอาพัทสราพมเนี่ยแปดมหากับนั่นคือภวังเขารักษาอยู่แล้วปริตตสุภาพรมสิบหกอปมาณสุภาพรมสามสิบสองสุภกินหาพรมนี่ 6กสี่มหากับอันนี้เล่นเป็นมหากับมหากับเลยนะถ้าหากเกิดไปเรื่อยๆลองผวางังลองผวังบ้างขึ้นวิถีธรรมดาก็เป็นมหมากุุษบ้างถ้าเป็นบุรุชนเป็นเศกขะถ้าหากว่าเป็นพระอริยอรหันก็พระกิริยา เขาก็สามารถไปไหนมาไหนอ่ะอย่างเราๆาเนี่ยก็ไปไหนมาไหนก็ได้แต่แต่เขาเองเขาเขาพิเศษกว่าเราม า, มากมากมากอย่างยิ่งเนียนั้นกลุ่มพวกนี้จึงเขาอยู่สบายมากอ ช, ชีวิตของเขาเนี่ยจึงไม่มีความไม่มีความทุกข์อย่างอย่างพระกาพรมเนี่ยนะก็สำคัญตนเองเป็นผู้ที่สร้างสปปรรพสิ่งทั้งหมดเลย สำคัญตนเองอย่างนีน้พระพุทธเจ้าดํมหลสทันทีว่าเอ๊ะเนี่ยเป็นมิจฉาทิฏฐิเนี่ยที่ว่าห่อขึ้นไปไปเนี่ยพอพอห่อขึ้นไปก็ไปที่สุดจริงๆก็ไปเปล่าแล้วก็คลายทิฏฐิได้ถ้าถ้าในลักษณะอย่างนี้ก็จะเห็นว่าแม้แต่พรมดํมหลีผิดเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ไปโปรดนั้นถ้าหากว่าในยุคที่พระพุทธเจ้าอุบัติเกิดขึ้นพรมเหล่านี้มาฟังทำกันด้วยเลย ก็คือโลกสิทธิ์ของพุทธเจ้าทั้งนั้นเดิดูแล้วเนะี่ยเป็นสาวที่บรรลุทำเป็นสาวกของพระเจ้าเพียบหมดเลยตอนเนี้ยเยอะไอที่ไม่ได้ฟังธรรมก็เยอะเนะไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ไ ม, มีแต่ว่าถ้าเราไปแล้วเราจะไปเป็นบริษัทของใครเอานะ <c oughs> แต่เดยมากไปกันยากครับคนยุคนี้ถ้าใครไปพร้อมได้เนี่ยบรรลุได้ถ้าใครบรรลุชานได้มีโอกาสบรรลุธรรมได้มีโอกาสเลยทีเดียว ถ้าหากเวหพลากับอสัญญสตาเนี่ยห้าร้อยหมากับใช่ไหมอสัญญสตาไม่ต้องพูดถึงไม่มีพวังรักษาภพแล้วส่วนเวหพลานี่สิเขาเรียกปุถุชนพวักะนี่ปุถุชนพวักะปุถุชนขึ้นได้แค่นี้รู ป, ประโฮมไปกว่านนั้นไม่ได้แล้ว น, นถ้าอาวิหานี่หนึ่งพันหมากับเนี่ย ตปาสองพันสุทัสสาสสุทัสสี8ปดอคติถาหนึ่งอคติฐ า, 16, านะหนึ่งหมื่นพันหนึ่งพมหากับอายุทีนี้ลองมามาม า, ม า, ม, า, ม, ามาดูกลุ่มกับพวกพวกเรานี้แต่ถ้าหากสูงสุดนนเน่ยนะเนวสัญญานาสัญญายตนาเนี่ยชัดเจนเลยว่าเป็นทวังยาวนานที่สุด 84,000 สี่พันมหากับนี่เราลองคิดดูผลของอนเนนชาพิสังขารนะถ้าไปดูถึงอารูปกุศลเจตนา อ, อปุญญาพิสังขารคืออารูปกุศลเจตนาสี่เนี่เป็นเหตุเป็นเหตุอารูปวิบากสี่ทำการรักษาภพเป็นผลในอารู ป, ประภูมิถามดูว่าพวังในการรักษาภพของสัตว์เหล่านี้ ถามว่าการตกไปในกระพวังตกไปในกระแสเพาะวังเนี่ยจะยาวนานสักปานใดงั้นคำว่ารักษาภ พ, พเนี่ยจึงมีความหมายค่อนข้างที่ยาวเป็นความสำคัญของสัตว์โลกมากตัวพวังนี่คือเป็นผลเป็นผลที่เกิดขึ้นจากเหตุคือสังขารเขาบอกสังขารสามเป็นผลในประวัติการก็คือทำพาวังนี่แหละเปลี่ยนก็ไม่ได้นะ มีโลภะได้โทษ ะ, ะเกิดไม่ได้ก็คือกลุ่มพวกนี้เค้าเพราะอะไรรู้ไหมเพราะกลุ่มพวกนี้ฌานสมาบัติเขาได้ไหมล่ะก็จริงอยู่แต่ว่าชื่อว่าผู้นั้นได้ฌานไหมเขาจะเข้ามาอะไรก็ได้ใช่มั้ยเขาจะเข้าฌานาอะไรก็ได้ใช่มั้ยก็มันไม่ต้องอะไรในการข่มขณะที่เข้าฌานแต่เมื่อออกจากฌานแล้วเขาก็เป็นวิถีธรรมดาเขาไม่ใช่ไม่ใช่อย่างที่เราคิด เอางี้นะคน ท, คนที่คนที่เ้าได้ฌานสมาบัติเนะี่ยโทสะไม่เกิดนะไม่เกิดเลยไม่เกิดเลยนะโทสะาเานี่ยเขาขมไว้เป็นวิขำ พ, พันะก็ไม่เกิดไม่เกิดนี่เป็นอย่างนี้อาออันนั้ถ้าเขามีเหตุปัจจัยที่จะเกิดอีเขาก็เกิดไม่ได้ไปอยู่บนไหนถามว่าจะไปเกิดได้ยังไงอะไรละเหตุปัจจัยที่จะทําให้เกิด คือต้องดูอย่างนี้นะถ้าในกลุ่มของรูปปั้พรมทั้งหลายเนี่ยถามว่าเขาไปด้วยอํานาจของฌานใ ช, ใช่ไหมมันไปด้วยอํานาจของฌานเนี่ยถามว่าในขณะที่เขาไปแล้วเนี่ยเขาก็ไปเจริญฌานเป็นส่วนมากทั้งนั้ น, นถามว่าเมื่อคนได้ฌานอย่าไม่ต้องอะไรเราอยู่ในมนุษย์เนี่ยแค่ในมนุษย์โลกเนี่ยคนที่ได้ฌานสมาบัติเนี่ยเขาก็ประหารแล้ว ปหารโทรศ์เป็นวิคัมพนะ์นาหารในคำว่าวิคัมพันธาหารในพวกเราต้องเข้าใจเลยนะว่าไม่เกิดกับเขาเลยเนะี่ยเพียงแต่ว่าชาญ น, นั้นเสื่อมถ้าชาญ น, นั้นเสื่อมเมื่อไรเขาไปไหนมาไหนโทรศ์จึงจะมีโอกาสเกิดกับเขาอีกทีถ้าตาบดาชาญยังไม่เสื่อมเนี่ยเขาจะออกจากชาญเขาจะอยู่ยังไงก็ไม่เกิด ปปเขาทนะําใหม่อยู่แล้วขณะที่เขาอยู่ในรูปประภมนั้นน่ะถ้าเขามีชาตต่อช้าก็เล่นได้แต่ก็ยังมีที่ของท่านที่ประมาไม่ได้เข้าชาไ่ไอะไรบ้างก็อยู่ในจิตแต่ถามว่าที่เขาอยู่ไปอย่างนั้นจริงๆแล้วถามว่าแค่สภาพจิตใจสภาพจิตใจของเขาคุณธรรมของเขาที่เกิดขึ้นภายในในขณะนั้นโทสะก็ไม่เกิดแล้ว มันมีตัวกั้นเยอะแยะหมดเลยนะั้นะสภาพของโทสะเนี่ยจะไม่ไปเกิดอยู่แล้วในรูปภูมิไม่ไม่มีทางไอค้ครับคำพูดของเราเนี่ยมันอีกอย่างเลยใช่ไหมแต่ความสุขของเขาที่ได้นะอย่าลืมนะพวกนี้เขาได้จากความสุขในการที่จะอยู่ในสมาบัติทั้งนั้นไม่มีแน่พรมอมจะไปฟุงซ่านอยู่นวลว่คุยเขาขึ้นมาผิดที่อะไรเงี้ยให้มีเลยไม่มีแท น, นการเขาต้องเข้าฌานแน่นอนและต้องเจริญฌาน แต่เพียงบอกว่าเขาจะทำให้ยิ่งยิ่งขึ้นไปได้ไหมติดอยู่ในฌานแน่นอนแต่ถามว่าเขาไม่เจริญฌานต่อไม่เพียรพยายามอันนั้นมีใช่ไหมแต่ถ้ากลุ่มเป็นพาญญา่ายเยะบุคคลต้องเยอะแยะเดี๋ยวลองคิดดูสิ<ข>อ๋อมีเยอะแยะก็แสดงว่าเขาต้องฌานเสื่อมไม่ไม่ใช่เสื่อมอายุหมดก็เพราะเขาไม่เขาไม่ได้ไม่ได้ทำฌานต่อนะเมื่อเขาหมดอายุ ใช่งที่เขาได้เนี่ยเขางตกลงมาใช่แต่นี่ในขณะที่เขาไม่ได้เขาไม่ได้ลงเียนใช้คำว่าตกนี่ไม่ดีเลยก็ตกลงมาในภูมิที่ต่กว่าไม่ใช่หมดอายุไขแล้วเขามาถือปฏิสุนทีนะก็ก็ก็เหมือนกับตกลงมาสู่ภูมิที่ต่ำอย่างเราก็ต้องตกจากเทวดาสิเราสมมติเคยเป็นเทวดาแล้วมาเป็นมนุษย์น เ, นเนี่ยถือว่าตกแตนั้นคือตรงนี้อ่ะ น, นะถามว่าเธอมามาเกิดแล้วเนี่ย พรมทั้งหลายเนี่ยนะเวลามาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยมาปฏิสนธิใหม่เป็นมนุษย์เนี่ยไอ้โทสะเนี่ยมาเกิดมาเกิดในภพนี้ไม่ได้ไปเกิดในภพนุษย์แล้วไม่ใช่ว่าเขาไปเกิดตรงนู้นขึ้นมาแล้วเนี่ยเขาจะไปเกิดโทสะบนน้นเขาจึงมาเกิดมาเป็นมนุษย์ไม่ใช่เว้นไว้แต่กลุ่มที่กรรมส่งผลในมรณาสันนการของเขาเนี่ยก็มีใช่ไหมแต่เพียงว่ามันอีกมันมั น, ม, นมันอีกการยกตัวอย่างเช่นว่าเขาจะต้องมาตาย แต่ก็อย่าลืมนะว่าโลภะก็นําลงอบายได้นําลงอบายได้ลงนรกยังได้เลยไม่ใช่เฉพาะแต่โทสะอย่างเดียวแต่ในกลุ่มอกุศลอารูปเนะ่ะอรูปเนะี่ยถึงจะปิดได้ถ้ารู ป, ปรภูมิไม่แน่ตรงนี้นะนตรงนี้ในในในบางแห่งในบางแห่งเนี่ยเขาเขาปฏิเสธเลยนะว่าลงจาก รูปภูมิเนี่ยจะไปลงอบายภูมิเนี่ยเขาบอกว่ายังไม่เคยเจอหลักฐานตรงเนี้ยงเถียงกันอยู่ในในในในข้อมูลในข้อมูลระดับในตำราเนี่ยในระดับในตำราเขาแต่เขาจะดูคำสอนเลยบอกว่าเขาจะดูในคำสอนในจิตเตสังเกิฤทธทุกติปาติกังขาถ้าจิตเจ้าหมองมันลงได้ทั้งนั้นเนี่ยเขาเขาเอาตรงนี้เป็นตัววัดกันเลยตรงนี้ แต่ว่าจะเอาพบพรมเป็นตัวกั้นกันอย่างในภาควิธ ร, รมขยายความวางกลุ่มค้านตรงนี้ก็มีก็เป็นเรื่องถ้าเราดูจากจุติปฏิสนธิแล้วเนี่ยก็จะเห็นถ้าดูจุติและปฏิสนธินะถ้าดูในรายละเอียดเนี่ยถ้ากลุ่มศึกษาตรงนั้นแล้วก็จะมองเห็นอย่างยกตัวอย่างเช่นว่าในเนวสัญญาณนะสัญญาเจตนะ ผู้ดชนจุติหนึ่ง ấy, ก็จะได้เนวะสัญญานาสัญญายตนาวิบากปฏิสันที่ห้าคือมหาวิบากาา ญ, ญาณสัมปยุตตะจิตสี่ใช่ไหมแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญายตนาวิบากหนึ่งภูมิแปดก็คือการมสุขติภูมิเจดแล้วก็เนวะสัญญานาสัญญายตนาภูมิถ้าตรงนี้เป็นข้อบ่งบอกว่าอบบายภูมิไม่ลงไม่ไปทีนี้ถ้าหากว่าไปดู อไปดูตรงไหนเดียไปดู อ, อสัญญะถ้ า, าสัญญาสัตตาสัตนะได้ได้ได้จุติเท่าไหร่ได้รูปจุติหนึ่งใช่ไหมคือชีวิตตานวิกะกราบนี่แหละทําจุติถามว่าเมื่อเขาได้จุติแหะไอ้ตัวจุติก็คือตัวอวิณิโพกครูปแปดชีวิตรูปหนึ่งัน่นแหละปฏิสนธิเขาได้เท่าไหร่เขาบอกว่าปฏิสนธิได้มหาวิบากแปดได้ในกาลมา การมสุขติภูมิ 7. เจ็ดเขาได้แคนี้ก็แสดงว่าอสัญญสต ภ, ภูมิก็ไม่ลงอบายภูมิเห็น ไ, ไหมนี่ตามตามคาสอนไม่ลงอ่ถ้าดูปุตุชนที่ได้รูปวิบากห้านี่นะจติห้ารูปวิบากห้าจติเนี่ยนะถามว่าวิบากต่อเท่าไหร่ได้รูปวิบากห้าจติปฏิสนธิด้วย แล้วก็ได้มหาวิบากแปดรูปวิบากห้าอรูวิบากสี่อรูวิบากก็ได้สามารถที่จะไปอรู ป, ปรภูมิก็ได้เออถ้าหาพิจารณาอย่างนี้ก็จะได้ไมายบากแปดแล้วก็ได้ไม่ลงไม้บางแห่งก็สอนกันไงว่าคื อ, ค, อคือบางแห่งที่ก็บอกว่า ไอตามบางบางจุดที่เขาสอนกันยังไงรู้ไหมเขาจะสอนกันบ่เขาบอกว่ามันอยู่ที่ว่าตอนนั้นจิตเศร้าหมองหรือจิตผ่องแผ้วใช่ไหมถ้าจิตเศร้าหมองทำไมจะลงไม่ได้เขาบอกเงี้แต่จริงๆ่งโดยหลักการเนี่ยพรมเนี่ยท่านจะไม่จิตเศร้าหมองที่ลงเพราะท่านไม่ต่อชานในอย่างนั้นไม่เรียกเศร้าหมองกิเลสกิเลสกิเลสเกิด ถ้ากิเลสไ ม, ไ ม, ไม่ถึงจะละเอียดขนาดไหนถ้ากิเลสเกิดก็ลงอาวยแต่นี้ไม่เกิดถ้าหากว่าเกิดถ้ากิเลสไปเกิดในมรณ า, าสถานการแล้วไม่ได้แล้วจะไม่เกิดไงในมรณ า, าสถานการ dachte, ก็เป็นตัวเปิ ด, ดาทางทใช่ใช่ตแต่นี้มันไม่เปิดให้เขาจะไม่เปิดช่องนี่เขาก็ถือว่าคำแน่วันกัน ถ้าหากว่าเป็นพรหมใช่ไหมถึงจะลงมนุษย์ก็กลายเป็นมนุษย์ที่แน่แน่หน่อยชั้นสูงเลยว่างั้นโดยส่วนมากฉะนั้นถ้าหากว่าดูตรงนี้เลยเนี่ยก็เป็นอ่านบอกว่าถ้าไปเกิดในรูปภูมิรูปภูมิเนี่ยก็จะมีสุขติเป็นไปในภพสองเลยใช่ไหมจะไม่มีทุคติถ้าเราดูวิบากดูวิญญาณของเขาอย่างเนี้ยนะเราก็จะเห็นเราก็จะเห็นวิญญาณว่าถ้าหากตัว ปุญญาพิสังขารที่เป็นรูปกุศลเจตนาห้าใช่ไหมที่เป็นรูปกุศลเจตนาห้าก็จะให้รูปวิบากห้าเพราะละให้รูปวิบากห้าเนี่ยในในปฏิสนธิการก็คือให้ปฏิสนธิให้รูปปฏิสนธิห้าเ<ม>กิดขึ้นในรู ป, ปรภูมิใช่ไมสิบห้าเนี่ยเว้นสัญญาเนี่ย พอเกิดในรู ป, ปรภูมิบห้าตั้งปฐมฌานทุติยฌานตัตยฌานเป็นต้นเนี่ยเกิดเกิดขึ้นนี่คือแต่ถ้าหากในประวัติการก็คือรักษาภพทีนี้ถ้าหากว่าหมดละ่ะวิญญาณเหล่านี้เป็นวิญญาณที่เกิดจากเหตุใช่ไหมไอ้วิญญาณที่ทําหน้าที่รักษาภพเหล่านี้ก็เกิดจากเหตุคือปุญญาพิสังขารวิญญาณเหล่านี้ก็ไม่เที่ยงก็อีกพอไม่เที่ยงแปลว่าเขาก็ต้องมีเวลาในการที่จะหมดคือจากจุตตินั้นเอง เพราะจิตติแต่เนี่ยพบถัดจากนั้นน่ยในรูปแบภูมิก็กลายเป็นสุขติบางกลุ่มที่จะต่ อ, อถ้าถามว่าเขาจะต่อเนี่ยถ้ากลุ่มรูปวิบากห้าจุตติเขาจะไปปฏิสนธิยังไงถ้าเขาถ้าหากว่าเขาถ้าเขาซ้ําภูมิก็ได้เห็นไหมเกิดไปในภูมิที่สูงกว่าอย่างในปฐมฌานได้ทุตาาิยฌานตติยฌานจะดุจฌานภูมิเป็นต้นเนี่ย แล้วก็อารมประภูมิหรือลองก็ลงแค่ได้รรปวิบากแปดขนาดสุดแล้วนะั้นเน่ะสุดเลยก็คือมหาวิบากแปดมามาปฏิสนธิเห็นไหมว่าจริงๆมันจำกัดในลักษณะอย่างนี้เข้าไว้แต่มันต่างอยู่อย่างต่างตรงไหนรู้ไหมถ้าหากเนวะสัญญานาะสัญญายแตนะปุดุชนเนี่ยใช่ไหมถ้าเป็นอาเนชชาพิสังขารให้ปฏิสนธิ ในอาูมณ์ภพคือในเนวะสัญญาณาสัญญายาตนาวิบากทำปฏิสนธิเป็นผลเกิดขึ้นในในอาูมณ์ภพในเนวะสัญญาณาสัญญายตนาภพนี่เขารักษาภพนี่เนะทีนี้การรักษาภพอย่างนั้นเนี่ยแปดสี่หมืน่ยเอ 8, 000, 000. เอแปดหมืสี่พันมหากราบนเนี่ยเนาะแปดหมื่นสี่พันมหากราบของของพวกเนี้ถามว่าที่เขามีอายุขนาดนั้นถ้าถามทั้งหมด หมดเราก็จะไปไหนลงต่ำก็ไม่ได้ซ้าเดิมได้จะเป็นพุทุชนใช่ไหมถ้าไม่ซ้าเดิมไปไหนจะเป็นมนุษย์ประเภทไหนได้วิบากต่ออีเท่าไหร่ได้วิญญาณต่ออีเท่าไหร่ตรงนี้เป็นมหาวิบากญาณนัสสัมยุญเตจิตสีถ้าถ้าลงมานะได้มหมายบากญาณนสสัมบุญเตจิตสีนี่นี่เป็นอย่างนี้ <ๆ S 2> นี่เป็นอย่างนี้นะ คือในในในอารูปทั้งหมดเนะี่ยลงจากอารูปได้ตีเหตุกับวิบากในภพถัดไ ป, ปดถ้าในรูปเนี่ยจะได้หมายว่ากวิบเอ่อเนี่ยคือเกี่ยวกับในเรื่องของตัวปฏิสนธิวิญญาณแล้วก็บรรวติวิญญาณเนี่ยเนะี่ยอเนนชาพิสังขารคือรูปกุศลเจตนาสี่เป็นเหตุให้อารูวิบากสี่ทำการรักษาภพในอากาสานัญจายตนา วิญญาณัญจายาัตนอากิน ญ, ญญายัตนาแล้วก็เนวะสัญญาณาสัญญายัตนาวิบากก็จะรักษาภพในภพนั้นไปก็อันนั้นคือตัววิญญาณที่เกิดขึ้นม่นี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ถ้าหากว่าจำแนกปฏิสนที่วิญญาณ19โดยประเภทต่างๆที่ไปดูในหลักสุดหน่อยนะไปดูมิสกะแล้วก็ดูมิสกะอมิสกะมีอยู่สอง รูปมิสกาวิญญาณและวิญญาณที่เกิดพร้อมด้วยรูปมีเท่าไรสิบห้าเขรียกรูปมิสกาวิญญาณเขาเรียกปนนั่นแหละมิสการในที่นั้นนะะรูปกับนามปนกันนะนะมีอยู่สิบห้ารูปมิสกาวิญญาณคือวิญญาณที่เกิดพร้อมกับรูปเนี่ยนะก็มีสิบห้าในอบายภูมิสี่มนุษย์หนึ่งสวรรค์หรูปภูมิสิบห้าเวนสัญญาด้วยนะ อสัญญานั้นไม่ใช่รูปมิสกะวิญญาณรูปอามิสกาวิญญาณวิญญาณที่ไม่เกิดกับรูปมีอยู่สี่ที่ไม่มีรูป น, นะเเจอใช่ไหมในหลักโสดมีใช่ไหมตรง น, นั้นมีสี่คืออารมวิบากสี่นั่นเองถ้าจําแนกภูมิสามกรมกรมปฏิสนธิวิญญาณมีอยู่สิบการมมปฏิสนธิวิญญาณสิบรูปปฏิสนธิวิญญาณห้าอารูปปฏิสนธิวิญญาณอีกสี่นี่เนี่ยนี่แยกเนี้ย ่ถึงรูปมิสกาวิญญาณอารูปมิสกาวิญญาณแล้วนีรูปมิสกาวิญญาณวิญญาณที่ปนด้วยรูปมีสิบห้้ามีอุเบกขาสันติระนจิสองมหาวิบาก8รูปวิบากหที่ในปัญจโวการภูมิ26นะอารูปมิสกาวิญญาณวิญญาณที่ไม่ปนด้วยรูปมีอยู่4คืออารูปวิบาก4อันนี้ก็ชัดเจนตรงนั้นไปนะี่ อันนั้นคือจำแนกมิสกะแล้วก็มิสกะอะมิสกะหรือว่ามิสกะสุดท่าก็ได้แบ่งเป็นสองพวก <Yeah. S 1> มิสกะกับพวกสุดท่าจำแนกโดยภูมิแบ่งออกเป็นสามการมวิญญาณมีสิบคืออุเบกขาสันติอนัตติสองมหาิบาปแปดแล้วก็รูปวิญญาณมีห้าคือรูปวิบากห้าอารมณวิญญาณมีสี่คืออรมณวิบากสี่อันนี้ว่าไปตาม ที่เขาจำแนกออกมากันนี่นะเอต่อไปก็คือจำแนกโดยกำเนิดซีจำแนกโดยกำเนิดอันทชาวิญญาณที่เรียกอันทชาวิญญาณนี่วิญญาณที่เกิดในลายในไข่เนี่ยนิสิชราพุ ช, ช่าวิญญาณวิญญาณที่เกิดในในลายชราพุ ช, ชา่าในในคันนี่ นั่นแหละในมดลูกสังเสทชาวิญญาณกลุ่มวิญญาณเกิดในในในยางเหนียวเนี่ ย, ยมีสิบโอปาปาติกาวิญญาณก็คือมีสิบเก้าวเวขาสันติสองมหาบากแปดแล้วก็มหาขตาวิบาเ ก, ก้าเป็นโอปปาติกาหรือมนุษย์ก็เป็นโ อ, โอปปาติกาได้นะเห็นไหมมนุษย์ตน้นต้นเนี่ย โอปปาติกาทั้งนั <S <s ้นแหละในกลุ่มนะมากันไม่ใช่นน้อยเนอะต้นตระกูลของเราเป็นโอปปาติกาว่าไงเนีที่ที่คำว่าต้นตระกูลของของเราเนี่ยหมายถึงนะพอกับอวัยพรมด้วยนะอบัยพรมถือเป็นต้นตระกูลกันนะจําแนกโดยกําเนิดนะนะออกแบ่งแบ่งเป็นสี่โอปปาติกาวิญญาณอุเวขาสองหมายบากมากตะ ส่วนจำแนกคตินะออกเป็น5้าคือเทวคติวิญญาณมี18อุเบขาสันตอรณจิต เ, เป็นกุศลหนะึ่งอุเบคาสันเตยกุศลวิบาก 1, หนึ่งไมบาก8ะแล้วก็มหาคตาวิบาก9อย่างนี้ก็เรียกเทวคติวิญญาณมนุษยคติวิญญาณมนุษสักคติวิญญาณมี9กอุเบคาสันตสองไมยบาก8นแลยะคติวิญญาณก็คือมีหนึ่ง ดิรชานคติวิญญาณมีห <goodness>. นึ่งเปตติคติวิญญาติเวขาสันติรณะอกุศลวิบากหนึ่งอย่างละหนึ่ง evac, ที่จริงก็คือคติห้าเรียคติดิรชาหนักคติเปตติคติแล้วก็มนุษยคติเทวคตินั่นเองอันนี้ว่าไปตามพระสูตรนะนะคติห้าเนี่ยเนก็จำก็แยกวิญญาณออกไปเป็นในลักษณะอย่างนั้นเออแยกวิญญาณออกไปอย่างนี้ ส่วนจำแนกวิญญาณนาีติภูมิมาเป็นที่ตั้งแห่งวิญญาณมีเจ็ดนาหน้าตากายะนาหน้าตสัญญีวิญญาณนาบวกนาเนี่ยนะเขาเรียกว่าต่างอะไรต่างกายต่างกายต่างกันแล้วก็วิญญาณล่ะวิญญาณต่างไหมนาหน้าตากายะนานาตาสัญญาปฏิสนธิต่างกายก็ต่าง อเวขาสันตีสองหมายบาก8ปดในกลุ่มนี้กลุ่มต่างนานาตากายะเอกตาสัญญีวิญญาณในนี้กายต่างวิญญาณเหมือนใช่ไหมอเวขาสันตีระนาอกุศลวิบากหนึ่งปทมชาญภูมิสาเออภูมิหนึ่งปทมชาญวิบากหนึ่งเนี่ยนะเอกตากายะนาน า, นาตาสัญญีวิญญาณอันนี้ก็คือกายเหมือนสัญญา ปฏิสันที่วิญญาณต่างๆเนะ่เนี่ยพอไปคําว่าสัญญาสัญญีโดยเนี่ยที่จริงเป็นชื่อของปฏิสันทินะปฏิสันทิไม่ใช่ปฏิสันทิอย่างเดียวที่เป็นพ ว, วังด้วยอะไรด้วยนะอันนี้ก็คือทุติยชานรูปาวิบากหนึ่งตเตียชานรูปาวิบากหนึ่งเอกตากายะเอกตัสสัญญาวิญ ญ, ญาณเ น, นี่ยเขาบอกเอบวกเอเอาจำกันง่ายๆงี้งงเลยเนี่ มีหักสูตรออโชว์เขาดูวินิจฉัยลักษณะเป็นต้นของวิญญาณนะวิชาณะลกขณังมีการรั้วรม์เป็นลักษณะเห็นไหมลักษณะของวิญญาณนะปุพพังคมละสังเป็นประธานแก่เจตสิกและการมชรูปเป็นกิจไอตัวปฏิสนธิวิญญาณและก็ภาวิวิญญาณเนี่ยนะ ในขณะที่ทําหน้าที่รักษาภพก็ดีทําหน้าที่ปฏิสนธิก็ดีเนี่ยชื่อว่าเป็นประธานของเจตสิกกรรมมชูปเป็นเป็นประธานเป็นประธานเจตสิกกรรมชรูปถ้าหากวิญญาณเหล่านี้ไม่มีกรรมชรูปก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาเป็นรูปมิสเก่วิญญาณนี่คือวิญญาณพวกนี้ต้องปนกับรูปใช่ไหมฉะนั้นก็ต้องมีรูปเจือปนไปเกิดร่วมกันไป แต่แต่ไม่ประกอบกันนั่นแหละฉะนั้นตัววิญญาณจึงอยู่ในฐานะเป็นประธานของเจตสิกแล้วก็กรรมมชรูปด้วยนะปฏิสนธิปัจจุปถานังมีการสืบต่อพบเก่าและพบใหม่นี่เป็นผลนะการสืบต่อพบไอ้การสืบต่อพบเนี่ยไอ้ตัวตัวปฏิสนธิการสืบต่อและการรักษาพบจุติแล้วก็ปฏิสนธิก็สืบต่อกันจริงๆรงนะ มันไม่ขาดอะไรละมันคือเยื่อใยที่ทําให้อร้อยกันก็ว่าอะไรอะไรเป็นตัวร้อยพบต่อพบขันต่อขันอะไรเป็นตัวเย็บตัวร้อยถ้าเนี่ยที่มันไม่ไม่หลุดออกจากกันก็เพราะมันมีได้เป็นตัวร้อยเป็นตัวเย็บใช่ไหมผูกติดก็ว่าไอ้พบต่อพบที่มันไม่ขาดหายไปเลยมันมีอะไรร้อยอยู่มีอะไรร้อยอยู่อ่ะเขาบอกตันหาเป็นเครื่องร้อยรัดใช่ไ ตัวฉันทราค้านี่เองไอตัวยินไอตัวยินดีตัวพอใจนี่เนี่ยไอตัวนี้เองเป็นตัวร้อยเป็นตัวเย็บพบต่อพบคือมันจึงจริงๆมันน่าจะขาดเนี่ย ม, มันน่าจะขาดแต่ไม่เนี่ยนี่เขาเรียกว่ามีการสืบต่อพบเก่าและพบใหม่เป็นผลสังขารพระประธานนางวามีสังขารสามเป็นเหตุไกลวานั้นก็มีวัฏฐาราัมณังประธาอประธานฐานนางด้วยเนึ่ยว่าถูก อารมณ์หกเป็นเหตุไก่มีมีหรือด้วยมีสังขารสามคือปุญญาภิสังขารนะปุญญาพิสังขารอเนนชาพิสังขารเป็นเหตุไก่หรือมีวัตถุหกจักขรวัต ถ, ถุเนี่ยนะจักรวัตถุเนี่ยเป็นที่ประชุมของวิญญาณทางทวารตาสโสตวัตถุคานะวัตถุชิวหาวัตถุกายยวัตถุแล้วก็หาทยวัตถุเนีกับอารมณ์หกเนี่ยเป็นเหตุไก่ของ วิญญาณเหล่านั้นด้วยถาม ถ, าถ้าในกรณีของการตัววิญญาณเหล่านี้เป็นถ้าถามบอกวิญญาณเหล่านี้ถ้าสภาพของวิญญาณเหล่านี้ถามว่าตัววัตถุเป็นเหตุถ้าวัตถุเป็นเหตุของวิญญาณใช่ไหมอันนั้นก็อยู่ในฐานะของวัตถุปเปรียชาตาชาติเข้ามาถ้ากลุ่มที่ศึกษาในเรื่องของปัจจัยต่อไปก็จะต้องไปดูกันแล้วแต่นี้ว่าเออเนี่ยถ้า ในกลุ่มนี้ก็จะมองเห็นตัววัตถุที่อาศัยของวิญญาณในกลุ่มของอารามณนะชาติอารามณนะปัจจัยเป็นต้นเนี่ยนะก็ต้องไปดูทางด้านของรูปอารมณ์เนี่ยว่าเป็นเป็นอารามณะปัจจัยให้กับวิญญาณชนิดไหนบ้างรูปารมณ์สัทอารมณ์คันธารมมละสารลมโพธพารล์และธรรมารมถ้าเราดูในกลุ่มของทวีเนี่ยจะเห็นเลยนะทะวีสิบใช่ไหมทวีสิบสัมปติชนะสันตีรณนะตถาธรรมณนะกลุ่มพวกเนี้ย เราก็จะเห็นดันดีว่าโอเนี่ยวิญญาณเหล่านี้ต้องอาศัยอารมณ์เหล่านี้ต่างหากเป็นตัวปัจจัยมีเป็นต้นสังขารสเป็นทีนี้การส่งค้อปัจจัยในบทนะนะสังขารปัจจยาสังขารเป็นปัจจัยช่วยอุปการละเก่วิญญาณมีสองว่าเงินมีสองทีนี้ถ้าบอกว่าสังขารเป็นปัจจัยช่วยส่งค้อเกี่ยววิญญาณมีเท่าไหร่มีนาห น, น้าคณิกกรรมะปัจจัยกับปกตจุบันนิสยปัจจัย ระว่ากันนะเี่ยนี่ น, นีสังขารสามเป็นปัจจัยแก่วิญญาณโดยพบกําเนิดคติวิญญาณอาทิติและสัตวนะต์เนี่ยนะเออตรงนี้อ่ะต่อไปดูดูดูส่งข้อปัจจัยเนะี่ยวิญญาณเกี่ยวในเรื่องของสังขารสามปุญญาพิสังขารนะปุญญาพิสังขารนะเนรชาพิสังขารเป็นปัจจัยแกป่ปฏิสนธิวิญญาณเนะี่ยเป็นต้นเนี่ยนะตลอดถึงปุวัติวิญญาณเนะี่ย ถ้าได้ในแง่ของนานาคณิกากรรมปัจจัยถามว่านานาคณิกากรรมปัจจัยเนี่หมายถึงเจตนากรรมเท่าไหร่เจตนากรรมยี่สิบเก้าไอตัวเจตนากรรมยี่สิบเก้าที่ไหนสังขารสามนั่นเองเป็นปัจจัยให้กับวิญญาณใช่ไหมถ้ามองอย่างนี้เรามองอยังไงรู้ไหมมองกรรมปัจจัยอ่ะ มองทิฏฐาธรรมเวทนากรรมอุปช่าวเวทนียกรรมอัปราระเวทนียกรรมครุกรรมมาสรนนกรรมมาจินนากรรมกตัตตากรรมมองกรรมเหล่านั้นนั่นแหละถ้ามองลักษณะว่าลงกรรมเหล่านั้นทั้งหมดนั่นคือนานาคณิกกรรมนั้นไอ้นานาคณิกากรรมเนี่ยไหมกรรมที่ให้ผลต่างขณะเรียกนานาคณิกากรรมมาปัจจัยเนี่ยกรรมที่ให้ผลต่างขนาะ อ่าทำไมจึงเรียกว่ากรรมที่ให้ผลต่างขนาดถามว่าปฏิสนธิวิญญาณที่ได้มาเพราะสังขารเนี่ยยกตัวอย่างเช่นอุเวขาสันติเดนอกุศลวิบากหนึ่งทำหน้าที่ปฏิสนธิเป็นเปรตอสุรกายสัตติราชานสันนรกเนี่ยไอตัวปฏิสนธิที่อย่างลงในภพภูมินั้นเป็นกรรมที่เป็นผลของกรรมใช่ไหมมาจากกรรมที่ต่างขณะต่างภพมันไม่ใช่กรรมในภพนั้นให้ผล แต่เป็นกรรมที่พบก่อนกรรมที่ทําแล้วในพบก่อนนั้นให้ปฏิสนธิในพบนี้แล้วเมื่อให้ปฏิสนธิเบีเสร็จแล้วต่อมาก็ให้ถวังคือให้องค์แห่งพบคือการรักษาพบเป็นเป็นเป็นเนอายาสัตว์ตามอายุตามเงื่อนไขตามพบตามกรรมของแต่แต่ละบุคคลที่ทําว่าเขาจึงบอกว่าสัตว์นรกนั้นมีอายุไม่แน่นอน หรือพวกอบายศาสตว์เนี่ยมีอายุไม่แน่นอนเลยใช่ไหมไออย่างยกตัวอย่างใช่ะให้เช่นเน่ย ใ, ให้อุเบขาสันเตรนาะอากุสนิบากให้ปฏิสนธิเป็นนอนนอนอายุไม่มากใช่ไหมไม่มากเลยใช่ไหมเนี่ยลักษณไอย่างเงี้ยเขาเราียกให้ปฏิสนธิต่อมาอตัวปฏิสนธินั้นแปลเปลี่ยนก็กลายเป็นผวังก็รักษาในภพของนอนไปฉะนั้นก็มีอายุอยู่ไม่กี่วันะมั้งดูดแล้วไม่น่าจะกี่วันอาจจะเป็นเดือนๆือน แต่สรุปก็คือว่าไม่นานตายเนี่ยอยู่ที่มันแปลเปลี่ยนเป็นมแมลงเป็นเลนต่างอยู่ได้มันมันกลายกลายพันุ์ตรงเนี้เห็นไหมถ้าถ้ามองอย่างนี้คําว่านานัคณิกากรรมเนี่ยถามว่าเรามองอยังไงมองชนกกรรมเหรอไหมกระดาษเอาตัวชนกกรรมเป็นนานัคณิกากรรมไหมเป็นหรือไม่เป็นเป็นเนอะไอตัวชนกกรรมกะกวดกรรมแต่งให้เกิดอุปถัมภ์อะ โอปถฐมก็เป็นนี่ไงทำทำวิญญาณเนี่ยทำประวัติวิญญาณไงทำผวังเป็นต้นให้แปรเปลี่ยนไปให้ให้เป็นไปใช่ไหมโอปปปีละกระกรรมโอโอปปฆาตกรรมที่นั้นไอกรณีของนาน า, นาคณิกรกรรมก็คือการศึกษาในเรื่องกรรมก็คือศึกษากรรมอันนี้ยแต่พอมาพูดกันสั้นๆก็คือว่านาน า, นาคณิกรกรรมมโหสถัยก็คือรู้เลยเงี่ยนะ แต่คําว่านานาคณิกกรรมยังไม่ระบุไปนะว่าเป็นครูกรรมฝ่ายกุศลนกุศลหรือพาหุรกรรมฝ่ายกุศลนกุศลนี่ก็ยังไม่ได้บอกก็สรุปแล้วก็คือเป็นตัวกรรมมะปัจจัยนั่นแหละแต่เป็นนานาคณิกากรรมะนี่เขาเรียกว่าตัวสังขารเป็นกรรมปัจจัยตัววิญญาณมีปฏิสนธิวิญญาณเป็นต้นเป็นานานาคณิกากรรมปัจจยุบันไป ส่วนปะกตรูปนิสยปัจใจนั้นได้ในแง่ไหนก็แปลว่ากรรมนั้นทำสำเร็จแล้วเนี่ยก็ได้ในแง่ของปกตูปนิสยาไดสองเพราะเป็นกรรมสืบต่อใช่ไหมสืบต่อระหว่างพบต่อพบนี่เป็นอย่างงี้นะนี่เป็นอย่างงี้อภการต่อไปกลุ่มถึงนามรูปนามรูปนาม อารามะเนนนมาตีตินามังธรรมชาติใดน้อมไปในรมฉะนั้นธรรมชาตินั้นชื่อว่านามนามในที่นี้องธรรมได้แก่อะไรนามองคธรรมได้แก่อะไรได้แก่เจตสิกแล้วก็รูปสีตุลหาทิวิโรทิปัจเยหิรูปปตีติรูปังธรรมชาติใด ย, ย่อมสลายไปเพราะปัจจัยที่เป็นปฏิปักความร้อนความเย็นเป็นต้นเนี่ยเหลือปลา ยุงลมแดดเป็นต้นเนี่ยอันนั้นเกี่ยวกับในเรื่องของรูปที่จริงถ้าในภาคของคมภีปฏิสัมพันธ์คำพีขุตกานิกายมหานิเทศเนี่ยจะขยายไว้เยอะขยายเกี่นกรณีเรื่องรูปเลยนะถ้าหากนามมันจะรูปปัญจานามมันจะนามมารู ป, ปังนี่นามด้วยรูปด้วยนามที่ว่านา ม, มารูป นามที่เป็นผลของวิญญาณตามในปฏิสนุบาทวิญญาณปฏิญานามารูปังนามคือเจตสิกที่ประกอบในโลกเยาวิบากเนีเท่าไหร่เจตสิกเท่าไหร่สามสิบห้านีกับรูปคือกรรมชรูปย่อมปรากฏเกิดขึ้นเพราะสายวิญญาณเป็นเหตุวิญญาณที่เป็นเหตุได้เกิดนามมีอยู่สองอย่างนะคือวิปากรวิญญาณได้แก่โลกเยาวิบากวิญญาณเท่าไหร่โลกเยาวิบากวิญญาณเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่ สามสองยิบสามเอาสามสองเลยฮะเจตสิกคือตัวนามนี้ได้แก่เจตสิกสามห้าที่ประกอบกับโลกยี่บากสามสิบสองใช่ไหมรูปได้แก่ปฏิสนธิรูปก ร, รมชรูปแล้วก็ประวัติกรรมชรูปจิตตชรูปส่วนประวัติกรรมชรูปและจิตตชรูปที่เข้ามาในบทว่ารูปังได้นั้นอาศัยอะไร โดยอาศัยกรร ม, มวิญญาณและประวัติวิญญาณนั่นเองนับเข้าโดยอ้อมนับเข้าโดยอ้อมนะโดยอนุโลมนะไม่นับเข้าโดยตรงนี่เป็นอย่างนี้นับเข้าโดยโดยอ้อมกรร ม, มวิญญาณได้แก่อกุศลและจิสิบสองมหากุศ ล, ลจิตแปดรูปกุศลเท่าไหร่ห้าที่ประกอบกับกุศลและอกุศลเจตนานาดีตาภพ ตัวนี้ได้แก่อกุศลจิต12มหากุศลจิต8ปดรูปกุศลจิตรูปกุศลจ็ดห้าที่ประกอบกับกุบกบกศลอกุศลเจตนาในดีถภพเอาที่ประกอบในกุศลอกุศลเจตนาในดีถภพนีตัวนี้เป็นตัวกรรมวิญญาณตัวเนี้ยตัวกรรมวิญญาณนามในองค์ของปฏิจจสมุปบาทคือเจตสิกที่ประกอบในโลกยิ่งวิปากวิญญาณนะเอาเจตสิกสาสิบห้า อเคได้ศึกษามารูปได้แก่ปฏิสนธิกรรมชะรูปปวัติกรรมชะรูปจิตตชะรูปนะทีนี้ถ้าจําแนกจําแนกปฏิสนธิวิญญาณและนามรูปในปฏิสนธิการและประวัติการเนี่ยจะเป็นยังไงอะจำแนกปฏิสนธิวิปากวิญญาณได้แก่ปฏิสนธิจิสิบเก้าดวงประวัติวิปากวิญญาณโลกิบากสามสิบสองถ้าปฏิสนธินามได้แก่ แจศสามห้าที่ประกอบกับปฏิสนธิวิญญาณ19ประวัตินามได้แก่แจศึสสิบห้าที่ประกอบกับโลกเยี่ยปากวิญญาณ32สองนีนี่เขาเรียกประวัตินามปฏิสนธิรูปได้แก่การมชรูปทีญญ่เกิดพร้อมกันกับปฏิสนธิวิญญาณนประวัติรูปได้แก่กิจมชรูปที่เกิดจากประวัติวิปากวิญญาณ